ตอนนี้ก็อยู่ศึกษาในคำสอนสอ ง, สอ ง, สองตอนจางที่แล้ว ศึกษาในคำที่พระสุทัศน์ตัดพิฎกในคำนนคี่สิ้นสุดในที่ขณิกายปาปิกวัตต่อาจากในหลายครั้งที่แล้วแต่โดยเฉพาะในตัวคำที์ในคำคี่สิ้นสุดเนี่ยเป็นสูตรที่ท่านพระาจารยบุตษท่า น, นได้รวบรวมเอาไว้ ในคั้งที่แล้วเราพูดในเรื่องของขันติโสระจักะเป็นต้นเหล่านั้นนะนะทีนี้จะมาพูดแล้วก็ได้พูดมาค้างถึงตอนที่ว่าสติจะสัมปชัญญะจะจะพูดในเรื่องของสติแล้วก็สัมปชัญญะ พูดในเรื่องของสติและสังขปัญญะเอาไว้ที<ง>นี้ในความหมายของสติและสังขปัญญาเนี่ยนะแต่พูดถึงในลักษณะของสติก่นสติเนี่ยเป็นเจตสิกธรรมนะถ้าพูดตามวิยาของพระพิธรรมเนี่ยขเขาแปลว่าธรรมชาติที่มีความระลึกในอารมณ์และก็สังวร อ, อยู่ในกุศลและธรรมทั้งหลาย อักของสติก็มีอยู่สี่ประการนะอปิลาปนลัคนามีความระลึกได้ในอารมณ์หนึงๆมัานเป็นลักษณะอปิลาปนลัคนาสติเนี่ยเขาแปลว่าระลึกได้นั่นความหมายประการแรกเดินในรายละเอียดสีว่ามีดีประการที่สองก็คืออัสามโมหะ ร, รักษามีความไม่หลงลืมเป็นจิต หน้าที่หรือการงานของสติเนี่ยเขาแปลว่าความไม่หลงลืมประเภทที่ลวมบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่สติถ้าสติเนี่ยคือไม่ลืมประเภทที่สามก็คือวิทยาที่มุกขับภาวะปัจจุปถานา น, านมีความจดจ่อต่ออารมณ์ในเบื้องบนจดจ่อก็เขเรียกบา ง, ยางอย่างนั่นเรียกว่าตั้งมัน คือโม่งหน้าต่ออารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาติถึงอารมณ์นั้นบริบอกนี่เป็นลักษณะของสติกีละสัญญาปัฏฐานาวากายาทิฏฐะปฏิสติปทานะปัฏฐานาบบรรนาเขาบอกว่ามีความตรงจําอันมั่นคงเป็นฉียดใกล้ก็ได้ให้สังเกต น, นะว่าสติเนี่ยลักษณะท้ายสี่อ๊ะ คือความจำแต่สติเนี่ยเป็นการจําได้อย่างม่นคงแล้วก็มีสติปัฏฐานสี่กายุปัสนาเวรนาุปัสนากิตตานุปัสนาและวก็ธรรมานุปัสนาเป็นเอกกันนี่ว่า<อ>ทีนี้ไปทาความเข้าใจจะเรื่องของสติอีกอย่างก็คือว่ามีสองลักษณะนในคำพีมิรินาปัญหาเป็นขยาก คือคาว่าอภิลา ป, น า, า น, าป น, านารถนาสติกับปุกปากคันคานนารถนาสติอภิลาปนารถนาสติได้แก่สติคิดเตือนให้ระลึกในธรรมทั้งหลายว่าทำสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ยกขยะเช่นว่าทำสิ่งนี้เป็นนี่คือสติสถานสี่นี่คือพละห้าจินทรสี่ห้าโพตรชงเจ็ดนี่คือมารีลแปด นี่คือสมถ า, ากรรมฐานนิปัตนากรรมฐานนี่คือฌานสมาบัติวิชาวิมุตินี่คือจิตเจตสิกถึงน่เป็น เ, เหล่านี้ยลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าสติคือสติก็กกเขาไปเตือนว่าคือสามารถไปทรงจำแล้วก็ระลึกถึงธรรมที่เป็นกุศลได้ เราเล็อกถึงกายานุปัฒนาเวทนาพุปัฒนาธรรมานุปัฒนาถึงเวทนาจิตานุปัฒนาธรรณานุปัฒนาเราลือกถึงศรัทธาพระรัติพระอริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเลยรถึงโพตชงเจตมัรมีองแปดเป็นต้นเลคืออไเลือกว่าอันนี้เปุตศทเมื่ออภิราภณะขณะสติเตียนี่เลืกถึงเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ซ่องเสร็จทำมันมีควาส่อเสร็จสติจิงหมายถึงสติที่ประกอบทั่วไปในโสภณจิต ย่อมให้เรารื้อถึงนกุศลธรรมโดยทําหน้าที่กั้นย่อระคำด้วยส ต, ติเป็นไปกับปัญญาเป็นต้นนั้ น, น, นลักษณะของส ต, ติเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วหรือเตือนให้เรารื้ถึงกุศลธรรมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูว่าในชีวิตจริงของเราเนะี่ยหลังว่าเออมีสติหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามีสติแบบชาวบ้านนี่ก็คุยนะ เนี่ยเป็นคนห่างมีสติบ้างไหมมันสติอย่างนะี้มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาจะรู้แต่เขาพมีสติเนี่ยแปลว่าในชีวิตจริงเนี่ยระลึกจิตนั้นระลึกเป็นไปกับบุญส่นและธรรมแล้วในขณะเดียวกันก็ถือว่าสังวอระวังปิดกั้นบาปประคำทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นใช่ไหมลักษณะนี้คือสติมันจะเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตจริง ถ้า อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเออเวลาเวลาจะโกรขึ้นมาก็ไม่ ก, ส ก, ก, กมรสติก็จะกัดกั้นแล้วก็เห็นโทษเห็นโทษของของของความโกรธสติก็จะระลึกกันได้แบบนีมีใครมาว่าโปุเนี่ยสติก็เกิดขึ้น ก, ก, กันทุ๊บเลยไม่โกรธ น, น, นี่ไปต็ได้นะ อุปท า, านและน า, ะก า, า, าักนาสติให้แก่สติที่ชักชวนให้ถือเอาสติทำอันดีย่อมเลยว่าทำนี้มีอุปการะทำนี้ไม่มีอุปการะก็จะถึเาางเอาแต่ทำที่เป็นประโยชน์ทำที่มีอุปการะท่านอุปมาเหมือนนายประตูของว่าเวรมาราัตดิ์ถ้าเห็นผู้ใดตลาดที่จะเข้าไปสู่ประตูราชวังก็ห้ามไม่ให้เข้าถ้าผู้ใดมีอุปการละต่อถ้ามาราัตริย์ก็ปล่อยให้เข้าสู่กระลาชฐนน กำจัดเสียซึ่งคนที่อันคือคนที่ไม่ควรเข้าเป้าก็ไม่เข้าเป้าคนที่ควรเข้าเป้าก็ไม่เข้าเป้าักษณะของสติก็จะอย่างนี้เนี่ยเขาจะคอยสอบตองดูแลไม่ให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่ในจิตจะคอยป้องกันอย่างนี้เลยเออืออันนี้อันนี้ไม่ให้เข้าไปในจิตอันนี้เข้าไปในจิตอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามี เกี่ยวกันในเรื่องของสติคอยํากับได้อย่างนี้ก็จะก็ก็จะเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ในความหมายของสตินเนี่ยนะเราดูในความหมายในด้านของในคำพี์บังแห่งก็บอกแบบนี้ก็บอกว่าลัากษณะของสติที่แปลว่าระลึกได้ กระเพไปถึงความหมายของความจําซึ่งก็เป็นการถูกต้องในด้านถามว่าสติที่ทําความหมายด้านความจำนี้ถูกต้องไหมถูกต้องในด้านนี้เขาก็ไดเจ้าตัดบว่าติสูจนทั้งหลายสัมมาสติเป็นเช่ไหนพิสูจน์ในทางในนี้พิจารณาเห็นการมีความเรียนนมีสัมปชัญญะู่สติกับมจารพิจารและตองนั้นในโลกเดียดได พิจารณาเห็นเวรนาในเวรนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาอห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็กําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้รักษาเหล่านี้ก็เรียกว่าสติที่เป็นไปในสติปัฏฐานสีพิจารณาในการเวรนาจิตธรรมเนี่ย แต่ถ้ามาทความเข้าใจดังที่ได้กล่าวที่บอกว่าสติเนี่ยหมายถึงความไม่ลืมที่ตรงกับความหมายในทางอนุมัติวิยอมรับขั้นต้นเลยนะนี่ความระลึกได้แล้วยังหมายถึงความไม่ถือไม่เลยเล่ไม่ฟั้นเพลินไม่ลมเลยเล่ยนี่เลยไปถึงความหมายในทางอนุมัติราความระมัดระวางความตื่นตัวส่วหน้าที่ก็เรียกว่าสติคือสติแปล ว, ว่าด้านความจำเลย นอกจากความจําแล้วยังหมายถึงความไม่เลื่อนเรืองไม่เลืนเรื่องไม่หลมือด้วยที่ในแง่แค่นั้นยังไม่พอยังมีในแง่ของความระมัดระวังระมัดระวังในเรื่องการตื่นดัวเนี่ยแค่ระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดอยูนเลลักษณะนี้เขาระมัดระวังคือสติในแง่เนี้ยเป็นไปในแง่ของการสังวรสังวรเนี่ยคําว่าสังวรสังวรเนี่ยเราพูดว่า ก็แปลว่าอะไรคํ า, าว่าสังวรในที่นั้นก็แปลว่าการปิดการกัน้นปิดไม่บาปเกิดขึ้นกั้นไม่บาปเกิดขึ้นส ต, ต, ต, ติเตี่ยต่างมีวาระนั้นสติเป็นทำนกกัก้นกระแสบาปไอกระแสของบาปนี่มันไหลเข้ามาทางไหนบา้าะทางตาหู ม, อมือไงใจเนี่ยไหมที่จริงเขาบอกว่าไตาแต่รูปเปี่ยมันก็มีการเชื่อมโยงกันมันไม่มีเป็นอนะไรน แต่ว่าตัวสังวรเนี่ยไอ้ตัวสังโยชนี่ยที่มันไปเชื Becky, ่อมโยงเนี่ยทําให้อายอวรในรูปในตาเนี้ยไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยถ้าไม่มีสติไปการเอาไว้แล้วมันจะยึดโยงอยู่เรองรามาสีนี้บางมาสีน้าพบางภาพเนี่ยเราดูแล้วมันชื่นใจแล้วก็ไม่อยากจะลืมไม่อยากจะจางถ้าเขาบอกว่าอีค่าวันตาคุณเยาะเอดไรเนี่อโหเป็นเรื่องเนี้ย ในห้นนั้เนี่ยเขาพุสูจน์ด้วยตาเาดังแค่ไหนอันนั้นบอกไว้นึงว่ามันมันยึดมาไม่ได้เท่าไรเลไอ้ตัวสั่งยอดเนี่ยมันยึดโยงระว่างตากระสีแล้วมองหูมาเสียงงไแล้วเรามันไม่มีตัวสังยอดอยึดโยงมันมียึดโยคือวันนี้มันยังฟังแลวมันได้ยินอยู่ใช่ พระตรองซีอยู่ตรงนี้จะบอผมไม่แย่หูไม่ได้หินด้วยแล้วก็คือเวลาคุยกนเนี่ยไม่รู้เรื่องวันก่อนครบผมไม่ดีตอนูไม่ดีได้คุยกนะั้นั่งถามว่าจะไปตลาดหรือเปล่าอีกองหนึ่งองไหม่แล้วจะไปตลาดพ้าที่มองอยู่อีกองหนึ่ ง, งอกนึกว่าไปตลาดบักรซื้ อ, นนงง อ, งง อ, อของของใหม่แล้วจะไปตลาด แล้วหบแล้วคุยเรื่องเดียวเลยไม่รู้เ ร, เรื่องนี่เป็นยังไงฉะนั้นถ้าบอกว่าความระมัดระวังความตื่นตัวต่อหน้าที่ภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในอการที่คอยรับรู้ต่อสิ่งต่งางๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อและตระหนักว่าคนปฏิบัติต่อสิ่นงนั้นอย่างไรตรงนี้นต้องพันว่าคือคือถ้ามองในแง่ว่าระมัดระวังตื่นตัวต่อหน้าที่แล้ว ถ้าตื roam, so so ่นต่างๆนี่มาเกี่ยวข้องกับเราใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะเกี่ยวข้องกับคนคนนี้เราควรจะระวังจิตยังไงไอ้สติมันจะคอยระวังอย่างนี้แตอถ้าเราจะจะเกี่ยวข้องกับนายกนายขอเป็นต้นเลยหรือเกี่ยวข้องกับคนก็ข้า่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์รอบรอบตัวเรามันเป็นต้นเลยลัศมีของสติมันจะตื่นตัวคอยระมัดระวังระมัระวังในที่นั้นก็คือว่าเป็นอ่าเป็นคํานอกกั้นกระแสบาป ไม่เข้าสู่จิตใงท่านนิยมพอมาอีกในยางหนึ่งที่บอกว่าเหมือนกันกับยามที่คอยเฝ้าประตูวสติจริงเป็นธรรมนั้นาันในการยารีธรรมเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็าเป็นตัวคอยป้องกันยับยั้งตัวเองแล้วก็ไม่ให้หลงเพลิเพลินไปแต่ความชั่วด้วยและที่จะให้ความชัว่วเล็ดรอดเข้าไปในจิตใจฉะนั้น ที่จะเตือนตนในการทาความดีแล้วก็ไม่ไม่ถอยหลาสให้ความช่วยลักษณะที่ว่คอยเตือนอยตลอดเวลานว่าให้มุ่งมั่นในการเจริญเสื่อมสมาธิปัญญาแล้วก็ปิดตัวกะไม่ให้ทำช่วยลักษณะตรงนี้คือสตินนเองฉะนั้นคนที่มีสติเกิดบ่อยเกิดมากๆเกิดตลอดเวลาเนี่ยชวมม น, า น, นาทน า, านช่วยาานน ย, ย, า, ก ย, ยกากไมก่ชวน <c ười> น้อย ช่วยยังไงก็ไม่เอาเพราะว่าสมมุติเราจะไปหาเสียงกนเนี่ยเอาเงินไปให้ไม่เอาอไม่เอามึงไม่ถูกช่ยวยช่วยไม่เอาแล้วกบอกว่าถ้าสตินย่ยชาวบ้านมันก็ระยง ก, กันเนเ่ราอกว้ามีสตินะระวัา เ, เป็นเดินไปหกไปลบมอนไม่คิดแค่ตรงนั้นเน่แต่ถ้าสติในทางคาสอนเนี่ยหวงว่าเออ การไม่บาปเข้ามาสุ segments, yes, ่จิตใจได้ไหมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ทำชั่วอย่างมอันนั้นแหละลักษณะของสติจะเป็นยังไงครับทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยการดำเนินชีวิตการเราก็ไปปฏิบัติการิญสติอยู่เสมอท่านผู้ใช้คําว่าอัปมาความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่เป็นหลักธรรมสำคัญนะจำหลักความก้าวหน้าในระบบจริยธรรมแล้วก็ให้ความหมายว่าอยู่อย่างไม่ขาดสติ การระมัดระวังอยู่เสมอไม่ยอมไม่ถดถอยไม่เสื่อมคล้ายว่าท่านหลวบอกว่าในคำอียิปต์สารที่มีท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าสติเพราะสามารถมีการระลึกเมื่อระลึกบ่อยๆเขาเรียกว่าอนุสติอนุเนี่ยเขาแปลว่าตามแปลว่าบ่อย นุสติเขเรียกว่านุชานุสติก็คือระลึกบ่อยๆในคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็ระลึกบ่อยๆในคุณของพระธรรมสังขารนุสติก็ระลึกบ่อยๆในคุณของพระญาสงสีลานุสติก็ระลึกบ่อยๆในคุณของสีจาณานุสติก็ระลึกบ่อยๆในการบริจาคเทวดานุสติก็ระลึกบ่อยๆถึงคุณของเทวธราอย่างเนี้ย ปุปปจมาในสติก็รละลึกบ่อยๆในคุณของวันธรรมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุสติตามละลึกบ่อยๆทีนี้พอบอกว่าตามระลึกบ่อยๆเนี่ยเราก็ได้ความหมายของสติตรงนี้แล้วว่าในชีวิตจริงของเราใช่ไหว่ามีอะไรที่เราระลึกบ่อยๆมีอะไรที่เราละลึกถึงบ่อยๆถ้าเราระลึกถึงสิ่งอะไรบ่อยๆ อันนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นที่ะระลึกของเขาถ้าในในทางด้านของพระราตนาใจเนี่ยเขอกว่าการถึงพราราตนาใจการถึงพระราตนาใยโดยเฉพาะโรกีอัสแลักพมเนี่ยมียึนการสิ้นแปลงอัตตาสาิยาตนะวิชีมอกกายถวายชีวิตคือการสลัดตนแด่พระพุทธเจ้า จเจ้าตัวอย่างก็คือว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบตัวหรือมอบกายถ ว, ว, ว, ว, ว, วายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมและพระียสงที่เราสวดวันละวัอันนี้เขาแปลว่ามอบมอบกายถวายชีวิตอันนี้เขาเรียกถึงสราระนั่นนะเนี่ยการระลึกอยู่ในคุณของพระสารน้าใจเนี่ยการมีสตริระลึกขึ้นไม่ใช่พูดศาสตร์ว่าพูดน ข้าพเจ้าขอหมอกกายถวายชีวิตนี้แด่พร ะ, ะ i̇şte. พุทธเจ้าข้าพเจ้าขอหมอกกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมข้าพเจ้าขอหมอกกายถวายชีวิตแด่พระอริยสงฆพูดจบก็ไม่ได้อะไรอะไรอันนี้ไม่มีสติแต่ว่าพูดพวกเนี้ยสําคัญเลยว่าเรานี่เรามอกตนนั้วนะเนี้ยนี่ก็หมอกกายถวายชีวิตแด่คือการสลากเนี้ยสลากตนสละกายสลากใจแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ เราถึงสารณะแบบนี้ได้ไหมที่สราตรวจหรือแบบสองแบบสองเขบอกว่าตักป ร, รายะตักป ร, รายะนะข า, ามีพระรัตนตรัยเป็นไปในเรื่องนะคือมีพระตารัยพระรัตนตร า, ายเป็นไปในเรื่องหน้าที่บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอท่านทั้งหลายจงจําพระพิฆเนศไว้ว่า ข้าพเจ้ า, นาเนี่ยเป็นผู้มีเพระกุศลเจ้ามีว่าธรรมมีท่าอายสงเป็นไปในลึกนะคือไม่ว่าจะทําจะไปที่ไหนไม่ทําอะไรก็จะระลึกถึงพระราชนะตายก่อนเสมเ อ, อมีแบบนี้ไหมนี่ก็เป็นสตินะคือจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ระลึกถึงพระราชนะตายก่อนโดยล้มลุ่มเลจะจะหอบร้องยังร้องในการโทสะใช่ไหม มีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาตกอกตกใจอะไรต่างก็ระลึกถึงบุคคลพระศพพระสงคือคือระลึกในที่นักหมายความว่ามีมรณานาตายเป็นไปในพึ่งนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตับปาราเนตหาเขาเรียกว่ามรณานาตายคือระลึกตลอดเว่าจะทํากี่อะไรต่างก็นอกเนาะมรณานาตรายแล้วก็ คล้ายว่าเป็นการอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงพระละกตใจส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือตามิปาะก็คือวิธีนอกน้องคือเคารพอย่างยิ่งในะพระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อท่านท่านหลายโยจําต้องเจ้าว่าจะกระทําการกราบไหว้การรบหรักการชีกรรมตา้งมีจิตกรรมเดี๋ยววัดดูศึกคือพระพุทธธรรพระพุทธารรมเป็นท่าอิสระก็อย่างนี้คือว่าธีนอกน้องนะ ปที่ไหนไปนเรยนนองน้องทุกเจ้าพเพราะคำว่ า, าเรียนจบเพราะนั้นเดี๋ยวมีวิธีการมอก น, อกนอก้อะอันนี้อันนี้อันนี้ประการที่สี่เออ เ, ออเออลืมประการที่สามประการที่สามในวิธีการนอกสิท์สภาวะหรือสิท์สภาวปาูปะคัดมานั้นก็คือวิธีมอบตัวเป็นสิท ยกตัวอย่างขอท่านทั้งหลายโปรดจข้าพเจ้เา ว, ว่าขา้าพเจ้าเป็นอันเตวสิทผู้ประพฤติตนอยู่ในโอวาของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะอันยิ่สุดที่สี่แบบนี้เราเรียกว่าการถึงการถึงสาณะการถึงสาระก็คือการมีสติในการระลึกหนึ่งดันั้นตรงนี้ก็คือว่าอนุสติคือการระลึก บ, บ่อยๆประการเก่ามาคือว่า ด้วยอำนาจในการระลึกที่เป็นดุดเป็นใจข้างหน้าคือปัติสติก็คือมุ่งไปในสิ่งที่ต้องการเช่นระลึกไปในคราดอดีตเป็นการระลึกในอารมณ์หรือเรื่องราวต่างๆครับพผมว่าการระลึกในอดีตเนี่ยเป็นสติ ย, ยกตัอย่างเป็นปุกเพียงนิวาสานุสติญาณญาณที่เป็นไปกับสติที่ตามรละลึกชาติผลหลังตัวอนะอันนั้นคือกาลังของสติลูนี้กำลังแก่ก้าวเนี่ย เขาจึงสา ม, มารถระลกได้ขนาะนัออ้นคนที่มีสติดีเนี่ยเขาก็าระลึกได้เาว่าถ้ า, า, ถ า, า, าระดับพระพุทธเจ้าเนี่ย้าลึกได้หมดแม้ในขณะลงสู่คันอยู่ในคันออกจากคานเนระลึกได้ามครั้งนะท่านบุุชนก็ตรงสุ่คันก็ไม่รู้อยู่ในคันก็ไม่รู้ออกจากขันก็ไม่รู้นี่คือพวกเราไม่รู้เลยไม่รู้มาจากไหนกันไม่รู้ ไม่้วมาเล่นไหนอ ย, อย่างพระพุทธเจ้าเห็นพวกมันมีว่าองค์แย้โบดเลยเนี่ยคือ่าเพราบางทีประชาติที่แล้วยังเป็นหมูอยู่เลยประชาตินี้เป็นปลาคาเต้ท่าไอคนละนี่เนี่ยคือถ้าเราไม่รู้จักสัมปารวจจริงเนี่ยเราก็โม้เพื่อนเป็นแต่ถ้ารู้จักสัมปารวจจริงเนี่ยไอความวิ่งใหญ่หายไปหมดเลย มันวัวโดนเยียนเยียนกันอยู่เงี้ยใช่ไหมอย่างวันนั้นเป็นนายคนนี้เป็นลูกน้องอยู่ก็มันแตกกันอย่างนะเออถ้าหาว่ายิ่งมีตะกูลสงเนี่ยมาน้าเขจับพอมาน้ามันกล้าเนี่ยพอเกิดดีกทีนะมันก็ไปเกิดเป็นชา้นตะกูลต่อก็ต้องไปเล่ากัน้องเองเขาจะไปอยู่ตะโกนโสงก็เป็นมีมาน้ามากที่เป็นลักษณะแบบวนไปวนมาเลย คือว่าการทรงจําสิ่งที่ได้ฟังหรืเรียนมาอันนี้เรียกทานณาตาสติทําหน้าที่จําด้วยแต่ไม่กว้างวางเท่ากับสัญญาคือความจําของสติเนี่ยต้องมีกว้างฟางเพื่อสัญญ า, า, ญญาภาวะที่ไม่เลือดไม่เลื้อนในการจําในการระลึกอันนั้นเรียกว่าอัาปรานั้นสติคือสติคนที่มีสญญติเนี่ยแปลว่าถ้าเหล่า น, นั้นก็คือถ้าไม่ลื้อน ความไม่หลงลืมในการงานที่ทำํำและคาที่พูดด่วยมานานได้อันนี้เ้าเรียกว่าอาถามุสนากรคือลักษณะว่าตสติจะมีหลายแบบใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนที่ลืมเป็นคนไม่มีสติแต่ตสติแบบแประเภททรงจำมัไม่นี้เนยต้องตองแยกแยกให้ออกคือบางคนที่เป็นคนที่จาําอะไรแม่นมากแต่พอจาําแม่นแล้วเนี่ยบางคนเลยเป็นเหตุที่บาเกิดมาก แต่บางคนเป็น อ, อย่างนี้จริงๆเช่นไปจําเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วก็ฝังใจอยู่อย่างนั้นทั้งๆเหตุการ์เรื่องราวเปลี่ยนไปเร้่อาๆแล้วก็ยังจํำใน้ถึงที่มันไม่ดีอยู่อยนั้นแล้วเวลาเขาได้บุญกันหมดแล้วพวกนี้ยังคิดที่จะได้บอ่อยู่อย่างนี้นคือจำํำแล้วมันเสียหายก็ก็เป็นเรื่องของความเสียหาย ความคล่อความเป็นใหญ่ในการระลึกไม่มีทําใดใหญ่เท่าเขาเรียกว่าสติสี่เพราะไม่หวั่นไหวในความไม่ประมาทเรียกสติพละ um. ังฉนั้นลักษณะของสติดังที่ได้กล่าวเนี่ยความระลึกหรือความไม่เลื่อนลอยเป็นลกักษณะมีการไม่หลงลืมเป็นหน้าที่แล้วก็มีการนั่งรักขาคุ้มคลองใจและอารมณ์ไว้ได้และก็มีการมุ่งต่ออารมณ์แล้วก็มีความจํา อันมั่นคงหือมีสติปัฏฐานน่าจะมอีกครัอันนั้นก็ลักษณะของสติประการต่อมาก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะในความรู้ชักเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาหนึ่งในหลายๆ ล, ลักษณะคําว่าปัญญาหรือสัมปชัญญเะเขาย่อมรู้ซึ่งอันนี้แกลักษณะทุกขลักษณะแล้วก็อ น, นัตตลักษณะ มีครียวาวลักษณะของสัมปชัญญะรู้ลกักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยนี่เป็นยี่นี้ทีนี้สัมปชัญญะแล้วก็ปัญญาเนี่ยมันชื่อเดียวกันคำว่าปัญญาหรือคําว่าวิปัสสนาเนี่ก็แปลว่าเห็นแกงทงทั้งหลายเนี่ยนี่จะลักษณะเจ็นต้นตามความจริงใช่ไหม เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาระดับวิปัสนาปัญญาถ้าไม่ใช่ระดับวิปัสนาปัญญาเนี่ยไม่ได้เห็นตามควา ม, ปาามเป็นจริงเนี่ยคาําว่าเห็นจริงเนี่ยในความเข้าใจของผูุู้ชนโดยทั่วๆไปแตเห็นจริงในความเข้าใจของปัญญาประการอย่างสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งมาหยิบของแล้วก็เดินไปเนี่ยนะแล้วคนนี้เราเห็ น, น, นเมื่อกี้เห็นคนคนนี้ชื่อนี้หยิบของไปย่เี อันนี้ไม่ใว่าจริงใ น, นด้านวิพัสนาถ้าจริงในด้านวิพัสนาเนี่ยถ้าเห็นลักษณะที่มันไม่เยี่ยง ม, มีแล้วต่อไม่มีลักษณะที่เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ลักษณะที่เป็นอนาตาที่บังคับไม่ได้เออมันเห็นอย่างนั้นไงส่วนปัญญาที่เชื่อว่าอโมหะเนี่ยเพราะเป็นเหตุให้สับทั้งหลายไม่ลุ่มหลงแล้วก็เป็นปฏิปักษต่อความลุ่มหลง เป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงความไม่รู้ดังความเป็นจริงถ้าปัญญาที่เชื่อว่ า, วาสัมมาทิฏฐิเ น, นี่ยเป็นความเห็นที่เป็นจริงเป็นบุตรธรรมนี่เป็นเครื่องนําออกจากภพคือ อ, ออกจากการเกิดออกจากหลักฐานละวัตถ้าปัญญาที่เชื่อว่าธรรมวิจัยเนี่ยอันนี้เขาเรียก ว, ว่าวิจัยชีวิตเลยหรือปัญญาบางอย่างหรือสัพพัญญาบางอย่างเขาเรียก ว, ว่าธรรมวิจัย เขาก็ทา ม, มาวิจัยแต่เขาวิจัยอะไรอ่ะวิจัยคิวที่เดียวเลยในทางคาสอนเนี่ยต้องต้องบอกว่าคนนี้จะมารู้ได้เนี่ยคนคนนั้นต้องวิจัยคิวได้ละเอียดตั้งแต่หัวจรดเท้าไป ถ, ถึงทั้งความรู้สึกเจิใจเยอะสามารถเอามาวิจัยแยกแยกเฉลี่ยว่ามันไม่มีสาระกันสัก อย่างเช่นว่าเอารูปขรรค์รูปกายมาวิจัยวิจัยจะเห็นว่ามันไม่งามไม่งามทุกสัดส่วนของร่างกายเลยเนี้นจะเห็นว่ามันไม่งามมันไม่ดีมันมีโทษไม่เป็นที่ตั้งของตังหาได้เท่ไรนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นธรรมวิจัยแล้วแล้วพยายามเอาเวทนาขันสัญญาขันธ์นากขันวิญญาณขันธเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจมาวิจัยอีกว่าความจํำก็ดีความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขทุกข์แล้วอุเบกขาติดดีความ ปรุงแต่อารมณ์ทั้งหลายเป็นต้ น, รนตกรณ์เนี่ยตลอดทุกทางรู้อารมณ์ทั้งหลายกรณ์ทางด้านาความคิดนึงก็นามาวิจัยนำมาวิเคราะห์จนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นระนาจานวิจัยจนเห็นความจริงของของชีวิตอันนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยัยนั้นอย่างพวกเราที่มาศึกษาคําสอนกันเนี่ยเมื่อศึกษาไปแล้วมนมีหน้าที่อนะไรรึเปล่า ไปนั่วิจัยเป็นยืนวิจัยเป็นอนวิจัยเป็เดินวิจัยคือเอาชีวิตของของตัวเราเองมาวิจัยแต่มันจะวิจัยไปตามความรู้สึกของเรานะแต่วิจัยไปเอาข้อสอบเขาจะเดินดังข้อสอบแล้มีหลักในการวิจัยเหมือนาคนก็จะสร้างบ้านบ้านนันเยอะก็เขามีแบบแต่เรจะสร้างแบบไหอย่างไงก็เริ่มก่อสร้างไปอย่างนี้จนถึงไหนกัน การวิจัยชีวิตคือมันกันเก่าชีวิตเพียงมาวิจัยเป็นไปตามตันตะในเรื่งจริงก็เข้าใจเอาวิจัยขนาดไหนขนาดว่าผมคนเรียกฟันหนังไม่เป็นที่ตั้งของราคาโทรศัพท์มาคือพอคิดถึงผมบุ๊กก็กงจัดความดีดีนรออกได้เลยไม่เป็นที่ชาคาของฉันนาราคาเปเจ้าเ น่าวิจัยขนาดนั้นฉะนั้นคนที่เขาจะค้นทุได้เ่ยน้องพี่นั่งเฉยๆแล้วก็วิจัยเรื่งบรรลเลยแต่ตอนเราเรียกว่าคนที่เขาปฏิบัติรู้ลุนี่คือไปนั่งเฉยๆใช่ไหมเป็นนั่งเฉยๆไม่คิดอะไรแล้วมันจะบรรลุไม่ใช่พกนี้เป็นพวกนักวิจัยจนเห็นของจริงเห็นระดับปัญญานี่ต้องสังอบรมอย่างนันะฉะนี้ี่ว่ามอง นักทวีก็อลองคิดดูว่าคนเดินผ่านมาแล้ววิจัยเห็น เ, เป็นกระดูกเดินห่านหน้าได้ทาได้ขนาดนั้นเนี่ยขนาดนั้ น, นเริ่มมีแนวค้านแล้วที่บอกว่าผมคนเละปันน้ำเนื้องเป็นกระดูกเรียกอะไหนี่เป็นธาตุอื่นเป็นธาตุน้ิริย์สาตอนี้นี่าจารพิจารณาไป่ได้แ้ ในยิ่งวิจรารณาได้นะมันมีดีในฝักก็มีดีนอกฝกักดีไม่ใชอยู่พใพฝดีตรงน้ำดีข้างนอกตรงนี้ก็มีน้าดีทาคําสอนนียมีทั้งข้างนอกและข้านในถะึ ง, งจะถูตักันแต่ยิ่งวิจารณาน้ำดีกันมันมีดีนอกฝกักบา้นมีน้อนอยิง่งเราเริ่มวิจรณาได้าาไดอ้มีน้ำไม่ใช่ ยิงก็ได้นีคือนักษมะของสถาบันน่ารมวิจัยถ้าปัญญาที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอัตวัประกาศให้รู้ทำให้เงื่อความนั้นแจ่มแจ้งปัญญาบางอย่างกันก็เรียก ว, วา่าเราเรียนและทรงจาได้ัวดเรยทีนี้ตัว อ, อย่างไหในสระชัญย่างเนี่ยเอายอ ๆ, ๆที่เราศึกษากันมาก็คือมี ชาติกาสัมปชัญญะสัตายาสัมปชัญญะโคจาราสัมปชัญญะและตัสมุหะสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีสี่อย่างลักษณะของสัมปชัญญะก็คือมีการแทงตลอดสภาวะแห่งธรรมหรือมีการแทงตลอดไม่ผิดพลาดเป็นลักษณะสัมปชัญญะนี่ยเป็นลักษณะแห่งการแทงตลอดคือหลักการวิจัยโดยตรงเนี่ย ไม่จีบพาดนี่คือลักษขนาดรักรมกีการสองให้เห็นสภาวะของอารมณ์ตามความเป็นจริงคือถ้าวิจัยอะไรแล้วก็สองให้เห็นสภาวะนั้นตามตามเป็นจริงเข้ยนของจริงเขาบอกว่าถ้าเราคบคนยังไงถ้าเรารู้จักใครสักคนเราะว่าบอกวันใดวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ยังไงคนคนนี้ บืงหลังจริงๆเขาเป็นโจรเลยเพรไปรู้ว่าโอ้คุณคนนี้เป็นโจรอะไรเนี่ยอันนี้ช้ำแยงแล้วที่เราไปครอบอย่างสนิทแต่ใช่ไหมเหมือนโปรพโทสาโมหะเนี่ยมันเป็นโจรที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้เราไม่ยังอนุญาตให้เขาเข้าเขาออกอย่างสบายใจว่าเรายังไม่แยงเขายังไม่เห็นโทษของเขาคือยังไม่เคยเห็นนอกว่า แต่ยังเพระพุทธเจ้าทั้งหลายพรตาเราว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมีตาดีทั้งหลายท่านมีจับปุ่มอุตปาทิปัญญาอุตปาทิญาณอุตปาวิชาอุตปาทิอารมณ์ปวงจากรปัญญาวิชาแต่ระหว่างปัญญาได้เกิดขึ้นในโลกเขาเกิดขึ้นมาแล้วเห็นเนี่ยนะพอเห็นขึ้นมาแล้วอุชักเลยเนี่ยบางชาติบางภพเลยเห็นวาโอ้ยมันเคยบางชาติทำให้เราเป็นมหาจรวนี่ยิ่งใหญ่ก็มี บางชาติทำให้เราเป็นขอทานแบบนี้บางชาติทั้ำให้เราเป็นพระราชาหากษระสักบางชาติเราให้เป็นขอทานบางชาติทําให้เป็นพ่อค้าไปสารพัดบางชาติทําให้เป็นสมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยบอกโอ้โหเขานอย่างนี้นะก็เลยบอกโอ้หต่อไปไม่ไม่เชื่อตามเลยแล้วถ้ามันจะมาตอบเราเราไม่ทำางนี้ทำอางนี้ไม่เชื่อเลยคือเขาเขียนมาตลอดสายหมดแต่อย่างเราฟังได้ฟังอยู่ไห พวกเอือสันต์ละวันเป็นแบบนี้นะเราเคยเกิดเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายล้วพอคิดมันธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เจ้าเราเนี่ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยในความรู้สึกธรรมดานั้นน่ยมันแฝงไปด้วยความเจ็บปวดเอาแค่ว่าเราไปเกิดเป็นเป็นงูอยู่สักชาติเนี่มันนี่จะสะดวกสบายอะไรเยอะมากท้องดินร้อนกระเจี๊ยบกระสนในการทําบาปไปเรื่อยๆ ไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นงนูเป็นอะไรารพัอลองลองคิดดูไอ้สัตว์ที่มันไปบางทีเรถูกทรมานถูกตัดถูกตนั่นทำให้คิดในลักษณะอย่เงนียว่าเงื่อนไขของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในชาติเดียวถ้ามันอยู่แค่ชาติเดียวเนี่ยมันจะบายมากเลยทีนี้มันเรื่องพบชาติเนี่มันมันน่ากลัวตรงที่ว่า ถ้าเราติดใจไม่ดีเนี่ยเราเรามองไม่สลอดสายเนี่ยเราต้องคว่ามันธรรมด า, าเรื่อพวกนีใครใครก็เกิดเรียนว่าใครเกิดแต่จริงๆแล้วถ้ามันคิดไปเรื่อยๆจะเห็นความทุกข์ถึงความลําบากถึงความเจ็บปวดในการเรียนว่าชายเกิดของปัระแสการทีม่มันเป็นไปฉะนั้นลักษณะนนของการรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยแค่การความเป็นจริงแบบเนี้สัตระโลกข้างหลังก็ไม่ค่อยจะรู้ถ้ารู้อย่างนี้จริงๆเนี่ยดีไหมที่จะไม่เบือนี่ย ถ้ารู้ตามมาไปยิเนี่ยผมใครๆก็เบือน่ะแม้ว่ารเจ้าจะ ม, มองผก็ปวดเบื่อนายจะทำยังไงที่จะบอกให้กับสาว่าของวะองค์ได้ทราบว่าโออย่าประมาทอย่ามัวเมาในเรื่องรีบในการทำความเพียงนะไฟไหม้บ้านต้องรีบเปิดไฟไหม้ลตาต้องรีบดับไฟจันใดเพราะงั้นกระแสข่าวเนี่ยเชาาา้านาน้ันนั้นรุมร้องอยู่นนาาานเนี่ยใช่ไมันรุร้องเนี่ยเชลานานวันนเนี่ย ไอ้เชลาก็บีบก็มาวรณะก็จ้องค่ะจ้องเล่นอะนไอ้ชล่าก็บีบพญาที่ก็เบียดเบียนแล้วก็มีการไม่รุ่มหยงเป็นประจิวฐามมีสมาธิมั่นคงเป็นเหเป็นสราพสามเหตุเหตุการ์สาสกการสาประชัญญะกับปายะสำประชัญญะภูเจร่าสประชัญญะใน้านสามโมหะสำประชัญญะคาว่าสาสกการสำประชัญญะในรู้ชัดว่ามีประโยชน์หรือตระหนักในจิดหมายรู้ตัวตระหนักชัดว่า สิ่งที่จะทํานมีประโยชน์ตามความมุ่งหมายอย่างไรหรือไม่หรือว่าอะไรควรจะเป็นจุด ม, มุ่งหมายของการจะทําเช่นการเจริญสมาธิว่าจะไปณที่ใดไม่ใช่จากแต่ว่ารู้สึกหรือนึกขึ้นมาว่าจะไปก็ไปแต่ตำหนัก บ, บอกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้คีติมันจะได้ความสงบใจมันจะได้ปัญญาจะได้ศีนสมาธิปัญญา ฉะนั้นในสาระคือความรู้ถนัดที่จะเลือกหรือทำสิ่งตรงที่เป็นวัตถุประสงค์และมวยประโยชน์ทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและพบหน้าตลอดถึงว่าประโยชน์อย่างยิ่งนที่มันจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งตัวอย่างก็คือว่าถ้าคิดจะก้าวหน้าไปก้าวไปข้างหน้ากําหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์ถือเอาแต่ประโยชน์เดีย๋ยวว่าอะไรหนอแลเป็นประโยชน์ในการที่จะไปอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ การกําหนดประโยชน์ในลนักษณะนี้เขาเรียกว่าสาวทาการสัมปชัญญะจะประโยชน์ในที่นั้นคือเชื่อของการเจริญในเรือ่องตัวอย่างเช่เนว่าก็จะมาฟังธรรมเนี่ยกําหนดประโยชน์ก่อนจะไปแล้วมันได้มันได้การจเจริญสีสมาชิเนี่ยอย่างนี้กําหนดประโยชน์แล้วประมาณอยา่อยางนี้เป็นสาวทำกา ร, การคาว่าประโยชน์ได้แก่ความเจริญในธรรมมันเกิดจากการเห็นเห็นอะไรกัน เห็นพระเจดีเห็นต้นโพเห็นพระสองเห็นพระเถระเห็นอสุภะอันนี้จะเป็นการอีกที่ได้ข่าวว่าคนไทยจะไปดูไอ้นี้ยไปดูอสุภะเพื่อจะไปตรงมือคือไปแล้วมันได้ถ้าในทางโลกโลกเขาไม่เอานะอย่างนี้เลยเขาบอกว่าจะไปดูสองเรือเราบอกว่าไ ม, ไ, มไม่ใช่แล้ยไม่ใช่ประโยชน์ แต่ในที่ที่ต่อัยแล้วมันได้เลยกำจัดฉันทราคะากําจัดราคะที่ความรักก่อนความเห็นขั้วงานามเป็นต้นคือมันได้อจริงๆถ้าไปเห็นพระเจดีไปเห็นพระท่าไปเห็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหลนี้เห็นพระเอกราเป็นต้นเหบ่นี้คือได้อนุสติเตือนใจได้กีจิตได้ศรัทธาเป็นต้นเหบ่านี้ย ลักษาอย่างนี้ก็คือในที่สุดจริงๆจะได้พิจรารณาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยังไดอย่างเห็นได้ไปเห็นประเจดีเรศมาถ้ก็เอาพุทธญาณเป็นอารมณพุทธบุญเป็นอารมณ์ได้สุติได้สัมปชีได้ความสงบสุขเป็นต้นแล้วต่อมาก็พิจารณาฐานด้วยความไม่เ ก, ก, นะกี่ยงเป็ทุกข์เป็นอนัตตาก็สามารถสรุปได้นี่เป็นอย่างนี้ทั้นที่เราตลอนตลอดไปว่างเห็นภากันเนี่เนี่ย ไมไไไ่ให้ไปไหว้เฉยๆนะต้องการไปได้ไประโยชน์ไปได้ปีติไปได้ศรัทธาเปต้นเหลนี้เมื่อได้ปีติได้ศรัทธาเป็นต้นเหล่นั้นจะได้เป็นปัดัยเป็นอัธยาศั ย, ายแก่กันทั้งหมดและที่ตัวจริงๆก็คือที่หวังนี้นี่เท่อนั้นทุคือการบรรลุธรรมแต่ว่านั่นแหะคือจุดเริ่มต้นหรือปะกาจุดเริ่มต้นที่มันจะเป็นอารมณ์เริ่มต้นตนันะ้นอย่างนั้นก็เรียกประโยชน์ถ้าไปหาปัญหาแลก็จะได้โอว่า ได้ว่าการเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะได้ไประโยชน์ในการเ ด, ดินนอกรางในกุสลธรรมถ้าไปเห็นอสุภะก็จะสามารถยังปรตถุมาชานเปนต้น ท, ทนเกิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาระตถุนั้มาชานนั้นแหลเป็นอารมณ์พิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นต้นเป็นนาฏตาในส่วนยิ่ก็บรรลุญาตแห่ี้ต้นอันนี้ก็ไปเห็นแล้วได้กระโยชน์ปารามะคือสัพปายาสัมปัญญาอันนี้เป็นสัมปัญญาอย่างหนึ่งนะพูดถึงสติสัมปัญญาพูดเยอะ สปายาสระชย์ญาติเขาปลวารู้ชัดว่าเป็นสปายาต์ตระหนักในความเหมาะสมเกื้อคูลแล้วก็รู้ตัวแลวะตระนั ก, กว่าสิ่ง น, นั้นการกระทํานั้นเที่จะทําไปนั้นเหมาะกับตนเกื้อคูลแก่สุขภาพแก่จิตหรือต่อการตลาดและการลดล ด, ลดอุติธรรมและการเกิดขึ้นเนนจริญงอกงามของอคติธรรมจึงใช้กินทากินไปหรือเลือกให้เหมาะเช่น คำว่ า, าสัตายาญยกเป็อยากเช่นภิกษุเนี่ยใช้กีวรเนี่ยให้เหมาะสมกับดินฝ้ า, ากับสภาพอาาของตนที่เป็นส么样什么样ถ้าพระที่เป็นพระทำลางน้อยอาคาดด้วยก็ต้องใช้กีวรที่เบาๆหน่อยไม่ให้หนักเกินเกิไปเนื่อง้าอย่างคารว่าจหน้าร้อนเนี่ยประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใสโซนภูมเนี่ นี่ไม่เหมาะแตนี้ไม่ใ ม, าา ม, ม, าาม่มีสปายะไม่สปายะแต่งคนก็เนคนนะคนไทยนี่ยถ้าเราไปตากสากแมายัางไงก็ก็อหยากจะทำเหมือ น, นตางจดเหมือนตางแดกเเป็นเมืองหนาวเลยเขาใส่ชุดคนตา ช, ชุดเรนส์ต่างนี้เราก็อยากจะใส่ไปทง อันนี้ไม่ไม่สดุกไม่สบายแค่ลักษณะของส ป, ปา ย, ยาในที่นี้ก็คือว่าผู้ที่จะเจริญกมามฐานจะไปฟังธรรมมันมีประโยชน์ถ้าหากว่าเขากรานุมงกันไปจุม ก, กันเดี๋าายวถาไปแล้วจะเป็นอันตรายที่ก็ไม่ไปเจะจหนัตัวอย่างก็คือว่าตัวอย่างสปายาทำให้ชันย่าคาว่าประโยชน์ ความสมควรแต่การเกิดกุศลธรรมและอัศพยะความให้เกิดประโยชน์ความให้สมควรที่จะเกิดกุศลธรรมในการเดินทางไปนกําหนดเอาอัศพยาว่าถ้าเห็นว่าเจดีย์เนี่ยเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าคนเอามากันมากเขาทําการบูชาใหญ่พระเจดีย์หญิงไม่ทาติ้งต้นถ้าแต่งตัวดังสวยสดเงิงามนีถ้าเป็นท้านเนี่ย ไม่ควรไปแล้วเดี๋ยวตายก็เกิดเป็นเบียดเปลี่ยนแต่ฆราวาสเขาี้สุดจริงๆก็เป็นเบียดทาให้ศีลวัดถึงสิาาส้ค่ะอันนี้ก็เป็นไม่สบายะไม่สบายะบางทีก็เกิดเอาคนทําถูกใจก็เกิดอารมณ์ที่ชอบบ้างทำให้ถูกใจก็เกิดปฏิฆาไม่ชอบใจบ้างอันนี้หรือถ้าหกว่าเป็นพิสูจก็ถือต้องระ บ, บาด โดยการต้องผัดทางกายอย่างนี้เป็นต้นเลยนยอันนี้ไม่จะดวกไม่ไม่เป็นประโยชน์แม้แต่การเห็นการเห็นอสุภะถามบอกว่าเันเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ก็ก็เป็นประโยชน์ทีนี้ว่าในการกำหนดที่เนี่ยนะกว่า ที่เคยยกตัวอย่างที่บอกพิสูกรูปหนึงกับสมณีนเนี่เดินทางต้องการจะไปหามาห้ชำระฟันสมมาสมณีก็เดินออกหน้าพิสูจน์พอล่วงหน้าไปเห็นอาุภักเนนนั้นก็ไปเพ่งพิจารณากพราะยามวัตถมชาในกุดขึ้นเมื่อยามวัตถมชาในเกิดขึ้นแล้วพอได้ชาและเน น, นก็เอาวัตถมชาเป็นบาตรใการเจริญพิจารณาในสุนี้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน แล้วพฏิเรนตอไปตามลดับได้เป็นวัดปรการนาคาได้เป็นวัดนาคาเป็นต้นนีกำลังจะทาให้บรรลุเป็นวัรน่ะเนี่ยพระก็เรียกปาริวินาจานก็เรียกเนียนี้นี่พอเรียกเฮียเสร็จก็เลยละอยากสมการันกลับภิกษุเนี่ยวะอพอเรียกเฮียนเส็จเนเนนั้นก็มาเนี่ยนั้นก็เลยบอกว่าให้ให้พระไปยูที่สุดที้พระก็ได้บรรลุ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์นี่เป็นสตยัยนแต่ว่าถ้าหากเป็นสอบเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะเป็นพิจารณาถ้าสอบของสตรีที่ยังใหม่ๆอยู่อันนี้ไม่สตัพน์แล้วเดี๋ยวพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวไปด้วยราคานี่สำคัญ อ, อันนี้เขาเรียกว่า ไม่เป็นประโยชน์ทั้งๆที่สอบเป็นประโยชน์แต่เราอย่างนี้ไม่เป็นสติปัญญาก็ต้องดูสิ่งที่มันเป็นสติปัญญาปร ะ, ปร ะ, ะาการต่อมาคือว่าโคจาระสามประชัญยารู้ชัดเป็นโคจรจะหนักในการในแดน ง, งานของตนคือรู้ตะหนักกาหนดชัดเวลาสิ่งที่เป็นกิจหน้าที่เป็นจุดเรื่องที่ตนจะจะทําไม่ว่าจะไปไหนหรือทําอะไรก็รู้ตะหนักหรือไม่ปล่อยให้เลือนหายไปลักษายอย่างนี้ก็เรียกว่าการไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งกรรมฐานไม่ทิอารมณ์กรรมฐานเพือไม่สังเกตอย่างเราในช่วงเวลาเราไปทํากิจต่างๆเวลาไปเจออะไรกรรมฐานเป็นๆพอไปทํางานอะไรอยู่อย่างเราทิ้งหมดเลยอย่างนี้ก็เรียกไม่มีโคยลาสรรมชัญญอฉะนั้นคนที่มีโคยลาธรรมชัญญยาเนี่ยเขาไปทําอะไรอยู่เขาก็มีเช่นว่าใส่ใจในกรรมฐานอะไรอยู่ก็เอากรรมฐานนั้นไปว่างๆไม่ได้เลยก็ถังมาใส่ใจกรรมฐานที่อยู่ยเรื่อย ร่าอะไรนี้ก็ไม่ก็บิดินถ้าเป็นร่างเดินไปไหนก็ไม่จริงกรรมฐานบางองค์นี่ไม่รู้เรื่องเลยบางคนไม่รู้ไม่เคยเอาไปเลยวะเนี่ยเอากลับไม่ต้อพูดถึงบางคนเอาไปอย่างเดียวเลยไม่เอากลับบางคนไม่เอาไปเลยตอนกลับออกมาเลยบางคนไม่แต่ไม่เอาทั้งเอาไปแล้วทั้งเอากลับก็เราก็จะอยู่แบบเอาไปด้วยแล้วกลับตอนมาจากบ้านเอากรรมฐานมาเลย อะไรถ้า <laughs> กับไปเอาธรรมฐานไปเรื่องไม่เทวาเลยเนี่ยต้องอยู่ประเภทที่เอานี้ ก, นนก็จะโคจรละคำวิชญารู้รู้แดงนั้นตนเองรู้อารมณ์ธรรมฐานนั่นเองพอเรียกว่าตระหนักในแดงงานนั้นตน ร, รู้ตะหนักชัดในโดยสาระตระหนักที่จะคุมการละกิจไว้ให้อยู่ในจิตในประเด็นหรือในแดงงานนั้นตนไม่ขุย ไม่เลื่อนลอยไม่หลงลืมตัวอย่างก็คือว่าดังที่บอกไปเอากรรมฐานไปกรรมฐานอย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนอนกรรมฐานในที่นี้เลยมากทัง้งเน้นกรรมฐานอสัมโมหะสามปัญญาประการสุดท้ายเนี่ยรู้ชัดไม่หลงตระหนักในตัวเนื้อหาสภาวะไม่หลงไม่ฟั่นเฟือนี่ยเมื่อไปไหนทําอะไรก็รู้ตระหนักชัดในการเคลื่อนไหว อันนี้รู้รู้ละเอยียดรู้สนับเรื่องราวเรื่องหาสาระสภาวะของสิ่งที่ตนเกี่ยวข้องและก็ทําอยู่ตามที่เป็นจริงทั้งสมมุติทั้งปรมเนี่ยตัวอย่างก็คือว่าการไม่หลงลืมในยุยาบททั้งหลายมีการก้าวไปข้างหน้าอันนั้นเรียกว่าปัตมุถ้าก้าวไปข้างหน้าไม่อถอยกลับเนี่ยก็ไปหลงไหลอยู่เหมือนปุถุชนอนาพานะ ผู้ชนนาก็เห็นยังไงก็คิดว่าเอออาการนี่จะก้าวไปอาการนี่บบก้าวไปแต่คนที่มีญาติสามันแล้วไปทานาติเวลาจิที่คิดจะก้าวไปเขารู้เลยหนึ่งจิตที่จะก้าวเป็นจิตอะไรเป็นกุศลไม่กุศลวายโยธทาท่าลมที่เป็นปัจจัยการพัดไหวไปนในกระสกายธรรมะแค่วิวากุาขาในการก้าวไปข้างหน้ากเขาเขารู้ละเอียดขนาดน้ รู้ียาบที่ก้ารู้วายโยธารู้คิดที่คิดใช่ไหมเขาก็เลยไปเห็นในความเป็นตัเป็นบุคคลนั่นไม่ใช่แค่ก้าคนเดียวแค่จะยกมือหรือเขาคิดแล้วจะยกแก้วน้ําขึ้นดื่มเนี่ยเออคิดที่คิดจะยกวายโยธาธาผันไปในกระด้างกายทําให้อวัยวะก่าวบนมือนั้นมีการอื้อมไปข้างหน้าจะก็เหมืนอนอุปมาทั้งนะีมเด็กนี่ยขีดแก้วน้ำแล้วก็จับแก้วน้ําขึ้นมาเนี่ย ไม่มีศัพท์คเลยคนไหนเราไยืนไปจับอะไรต่างอะไรเนี่ยนะเป็นตัวแยนว่าเป็นสภาวะของธรรมะที่เกิดไปแล้วก็จิตที่คิดบอกพี่ว่าออว่าโยธาพักผันไปให้ปากอ้าแค่นี้แล้วก็จะดื่มนะเงี่ยก็สมมุติที่อาจกรย์ว่าดื่มนะก็เข้าใจแล้วก น, นอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นอันสามมอันเป็นชัญญานี่ก็ไปรายละเอียด เราไม่ไม่ได้ลงลึกตรงนั้นนี่เป็นสติตัพัญญะตักละเลยไปเลยนะไปถึงอินทรียเยสุอักขุตตากทวาระตาจากโภชณีอมัตตาตันุตาจาอินทรียเยสุอักขุตตะกทวาละตาความไม่คุงครองทวารในอินรียโภชเนอมัตตาตันุตาความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค อันนี้ก็ตรงกันข้ามกับความคุ้มครองในอ IN ินทรีย์อินเตเยสุพุทธควาณตาความคุ้มครองเทวนใ น, C, นอินทรีย์แล้ะปปุชเนยมาตามีิธาความรู้จักประมาณในการบริทุกอันนี้ก็ตรงกันข้ามหลักการไม่รู้จักการไม่คุ้มครองเขาเรียก ว, ว่าไม่ีไม่มีไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองอินทรีย์เนี่ยคําว่าอินเตเยสุ S, อคติตทวาระตาหมายถึงการขาความทั้รวมอินทรีย์ที่ท่านแสลงไปอย่างละเอียดเลยนะเป็นตัวว่าทำอะไรนั้นความไม่คุ้มครองทวานอินทีย์ทั้งหลายเกลือคืออาการที่ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้เห็นลู้วยจัดสู่แล้วเป็นผู้ยึดถืออโดยโดยึดถือโดยอนุพยัอย่านชนะตรงนี้ก็คือว่า การที่ว่าไม่ไม่สำรวมอินซีไม่สำรวมมินซีทั้หงหลายเวลาเห็นลูกได้ยินเสียงดองกลิ่นริมเลดสัมผัสสุขต้องทำมารม ง, งเป็นต้นเล้แล้วก็มีปัญหามีทิฏฐิเกิดขึ้นมานีเรื่อขาดการสำรวมระวังในการพิจิจพิจรณารละต้นะไรอย่างนี้คือการไม่ไม่มีอินซีทั้วงวม ลักษระของตาไม่คุ้มครองไม่ค่าไ ม, ไม่ไม่มีไม่คุ้มคลองลยทวานในอินทรีย์ทั้งหลายก็คืออินทรีในที่นั้นก็คืออินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจยอินทรีย์ในที่นีไม่ไม่รา ม, มัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยให้กิเลสกิเลสเข้าก็าที่จริงจะพูดถึง ทางด้านขอ ง, องอก ส, สังวรแต่ไม่สังวรเนี่ยอินเตอร์ยนสังวรสารวมมินจีถ้าสํารวมมินจีก็แปลว่าเขาแม่ไม่บาปแม่อาตุศรเกิดขึ้นสํารวมมินจีทีนี้ถ้าถามบอกว่าระหว่างสารวมแต่การไม่สํารวมเนี่ยอันไหนเีอะ่ั ก็บอกว่าใช้ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปต้องไม่อยากรวมเขโหดินเขาคิดเงินในยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะนั่งรนแล้วก็ปล่อยความรู้สึกเพลินๆดูอะไรก็สนุกสนานไปแต่การตั้งสติคอยระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดเราทำเป็นแบบไหนที่เรารามากที่สุดถ้มองอะไรเพลนไปเรื่อยๆแล้วิภาวิจารณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรก็มดคิดวิภาวิจารณ์อย่างนี้มันเพลินใช่ไหม แต่ถ้าเห็นอะไรปุ๊ก็ตึกแล้วสำรวมระวังป้องกันไม่ให้บาปเกิดไม่มายินาเนยการทำลักษณะสมัยโบราใหม่เวลาศึกษาองสอนย้ำด้านอินทรีสังวรก็าบอกว่าเวลาเดินบินาศบาปก็มองถับเวลาไปไหนกันก็ไม่ลอกแรลกเวลาจะเหลียวซ้ายด้ขวาเนี่ยก็ต้องกำหนดคิดก่อน ว่าการเหลวไปเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยใ้กระบ่าตัวเราทำมันลามกขึ้นว่องว้งกระแสจิตขึ้นไม่เลยเนี่ยเมื่อมันมันรู้สึกว่ารายการเป็นเหมือนล็อกตัวเองล็อกตัวเองไว้อย่างเหมือนว่าตืนอ่านไม่เงินเลยถ้าชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมทําไมความเท่ากัชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นอย่านีเพราะเราปล่อยเ้าปล่อยไปตามความรู้สึกเนี่ยอยากจะหัวเราะตอนไหนก็ได้ อยากจะเด็ดสีตีเป่าอยากจะร้องรำทําเพลอยากจะอีอาวยวอะไรก็ได้ใช่ไหมที่พอทำมาเ ข, ข่งขืนนี่ก็ไม่มันมันก็มันก็อยู่ในกฎที่จริงม ไ, ไงาาง ม, ม, ม่ใช่เงี้หลักการคำรวมนี่ก็คือการวิจัยคือคือให้พิจารณาเห็นคุณเห็นโทษทั้งสิ้นเห่านั้นที่พอพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษทั้งสิ้ น, นเหล่น า, า น, นั้นเป็กติดตามคำสอนแล้วเนี่ยพอเราเห็นว่าเออจริงๆมันเป็นโทษมาก ถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าตื่นขึ้นมาก็ดูขา่ า, เขาวเมื่อเรสกข่าวลงมากเลยนะเรื่อยๆๆๆๆมันน่าเกลียดเป็นหัวบ้านเมืองแตหลายคนน่ากรังมันแก่ก็เท่าไป็นแผ ล, แแ ล, เ, ล เ, เป็นเมล้ออ่ะสาว้ทะเลาะกันเรื่องเป็นหัวบ้านเมืองว่า ขาไปนั jour, enough, Index, so up, so enough, ่งนั่งดูสาวนิยมเป็รเขาบอกว่าเดี๋ี้ล้มใจาว้านเมืองเยอะครั้งหมดนะขาเขาากันนิดน่ยเนรื่องถึงระดับทยาศาตอนว่ในรวิทยาศาสตรนว่านระดับวทยาศร์ใหระมัดระวังเวลาจะเสกึ่งต่างๆอะไรเนี่ยมันก็ต้องต้องวิจัยแล้วทีนะต้องวิจัยเลยคือ ถ้าเราจะเสสือ่อโทรทัศน์วิโยุสื่อทีมเนี่ย 80% เรนนี่ยเป็นเรื่องไม่ไดีอ่ะมันจะมีเรื่องดีประมาณย0สิบรนต์อามันมีเรื่องบาปบเเนนี่ยเรื่องบุญแ้วยแล้วเรามานั่งคิดดูว่าเออเราเราคนจะเสพมากแค่ไหนเราจะเริ่มรู้ตัวแล้ว แล้วเป็นไปไม่ได้ด้วยต่อให้ศึกษาคำสอนแค่ไหนถ้านั่งเต้าหน้าจอทีวีหรือดูข่าวหรือดิ่เนี่ยอดไม่ได้ที่จะเพ้อจะติดบาปไปดามเขาอยู่เรื่อยเอาเวลาอย่องนีอย่างเย่นคนก็ดากันะนั่องเท้ายวถือข้างเลยนัท่องเที่ยวถือข้างเลยนะแตอ่เมื่อวัน หม่ไม่ก่อนทัศน์ดงไม่มายังรีก็ตัดไปดินแล้วเขก็เก็เอาล็อกชื่อค น, อนที่วิจารณ์เนีก็ตัดมาให้จันเขาบอกว่าเดี๋ยวแต่ยันชื่อได้ยังไม่ะแล้วก็บอกว่าอาญาก็ต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมก็งั้นยิ่งใหญ่ยังย่ตั้งป้อมตั้งป้ อ, อมกี่ตานี่ไม่ร้ก็คตาอะ คือในเรื่องนั้ก็เขียนเกียนกับเร่องว่าเขียนเขาเร่องว่าเอ่อค้าเป็นพลเมืองทั้นสองท่นสามยกตัวอย่างเช่นเขาว่าเวลาเขาจะไปต่างประเทศเขาทาพาสปอร์ตกัดเดียวก็เสร็จแล้วกระ้านี่หกเจ็ดขั้นตอนหนึ่งต้องให้เจ้าวาดเป็นสองเจ้าหน้าตําบลสามเจ้าหน้าเพื่อสี่เจ้าหน้าจังหวัดห้าเจ้าหน้าภาแล้วก็ไปสอสอพอ ข้ามาเกณตราคมพิ จ, จ, รจารณ า, า, านัอินรงเียนขั้นตอดเยาวขาคือการนํางแต่เาวาดนี่ไม่ต้องมีปาร์ทันทอะไรฉนก็บอกว่ า, วาเป็นการเนี่ยนะี่สิทธ่ทเสรีภาพไม่มีใ น, ในกันองอย่างนี้นนแล้วก็ที่เรารุปว่าอาจารย์ก็ต้องคิดอย่างนี้ด้วยนาไม่ได้พูดจะ ไ, ไม่เป็นรคนบางคนเนี่ยบางที เราอย่าไปเอาความคิดของเราแล้วก็ไปคำนวณความคิดของคนอื่นมันไม่ได้มันมันยิ่งมันมันคนไร้เรื่องเลยมันคนไร้เรื่องเลยถ้าถามผมว่ายานคิดยังไงในลักตนัยถามว่าปัญหาเนี่ยเรารู้มาผ่อนย่งไหมก่อนที่เราจะบวชเข้ามาเรารู้มาตั้งนานแล้วการบวชเข้ามาเนี่ยว่าเอาบวชเป็นมะเข้ามาเป็นร่าแล้วเนี่ยเราต้องตัดสิ่งที่มัน คือถ้ามันยุ่งยากมะไต่จจางเราก็เดี๋ยวที่แล้วไม่อยากไปแล้วมันก็แค่นั้นมก็ไม่เป็นไรถ้าเราจะไม่ไปแต่เราจะปาไปจริงๆก็ใช้ความเพียรเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรนะเพราะว่าคำว่าสิทธิเสรีภาพจริงๆมันต้องหมายความว่าสาจักทีเลสออกจากใจใช่ไหมมันถึกจะอยู่เดี๋ยวเสรีไม่ได้เป็นข้าของใครจริงๆ ไอ้ขั้นตอนของสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ต่อคุณจะไปสร้างเงื่อนไขของสังคมไม่สะดวกสบายยังไงก็แล้วแต่แต่คุณไม่ยังเป็นทาสที่เดือดอยู่ไม่ต้องคิดมุมนี้ใช่ไหมจ๊ะทีนี้ว่าอาจารคําสอนเนี่ยจริงอยู่ว่าหลักการอะไรต่างๆที่มันจะให้ความสะดวกสบายมันพอจะแก้ไขกันได้แล้วว่าไปทำกฎขัติกรรมก็คือทําให้มันถึงคือพระอย่าไปอึดอัดถึงอึดอัดอย่าไปอนดองถ้าอึดอัดสักวันจะหรือัดเราตั้งนาน ใช่ไหนี่ยมันตั้งเยอะแยะไปที่โดนตัดสินเนี่ยเยอะแยะหมดอ้อย่างนี้เขาอยากเวลาทำนวนแล้วที่อื่นอ่ะนรรนนนนเนี่ยในหมวดรัฐธรรมนูญในปีห้าศูเนี่ยเข้าค้าไปอยู่ในไปอยู่ในหมวดหมวดไหนหรู้ไหยหมวดขอคนบ้า <c oughs> หนึ่งคนที่ไม่มีสนะิทธิ์ในการเลือกตัง้งเนี่ยไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งหนึ่งค น, คนวิกลจริต จอนักบวชแหมภาคธงงานแล้วแหมโอ้โหแหมเราไปอยู่ในหมวดขอคนบ้าหรือะ่าชับจะเ่็นไรเ้าจะทำไงจะทําฮ้ยเป็นไรท่านเขียนบอกว่าไม่ได้ไม่ a ้อยู่ในหมวดคนบ้าแต่บอาหมวดคนที่ไม่มีศีลหมดอะไ เขาพาราลงเมรัยน่ยจะออกตึกตรงนี้เล็กน้อยด้วตก็ก็เมรัยนั่นจะโทษตรงงานไม่คุ้มครองอีกสิไม่คุ้มครองทวารทั้งหลายไม่คุ้มครองตวารในอีกสิไม่คุ้มครองตาไม่คุ้มครองหูไม่คุ้มครองจมูกไม่คุ้มครองปากไม่คุ้มครองกายไม่คุ้มครองใจไม่คุ้มครองตาในที่นั้นก็หมายความว่าดูอะไรตึก ดูไปเรื่อยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าที่สิ่งที่ดูมันจะเป็นบุญเป็นโทษยังไงคืออยากที่จะดูเขาโฆษณาอะไรที่มันน่าดูดูหมดบางทีไปดูแล้วกลับมาก็ก้วมาเจ็บปวดก็อยู่รักขนาดนี้เขเรียกว่าไม่สนรกตามตใช่ไหมหูก็เมือนไงแต่สิ่งที่เขาไม่อยากไปฟังไม่ไหว อ, อยากเจริญสัมพันธ์เลยเล่าอะไรเจอไบอกใครเล่าอะไรเจอไม่ไม่บอก ลล แ, ออแล้วแลแตะย่างเี้ยได้กวาเสียงธรรมะกับเสียินทานี่เดี๋ยวขอฟังเสียงนินาวดี น, <c oughs> นั้นคำว่าไม่คุ้มคอง ไม่คุ้มครองเนี่ยขาดการสมรวมไม่คุ้มครองตามจมูกเป็นกายใจโดยเฉพาะก็คือว่าถ้าไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจมูกก็คือกลิ่นอะไรต่างตาทั้งหลายที่เป็นปัจจัยเกิดบุญและบาปก็ไปไปตรึงส่วนทางไม่คุ้มครองเลือดเนื้ออาหารนี่ที่จะเป็นปใจใัจจัยบาป ไม่คุ้มคลองกายก็การใช้ Goodnight สิ่งของต่างๆแล้วก็ไม่สำหรับไอ้ที่สำคัญก็คือไม่คุ้มคลองใจสําคัญมากใจคิดได้ร้อยแนี่ก็เรียกว่าไม่คุ้มของเห็นโลกได้ยินเสียงดมกลิ่นเล่นวัตสัมผัสแล้วก็คิดนึกทำอารมณ์ขยิบถือาโดยนิมิตปากสวยจมูกสวยเป็นต้นเหล่านี้นะโดยอายุประหยัดชนะ แล้วก็เป็นปจนัจจัยเกิดกิเลสณะดนจนคำว่าโภชเนอะมัตตัญญาไม่รู้จักประมาณในโภชานาะความไม่รู้จักประมาณในโภชานาะก็คือพิสูจบางรูปในพระธรวินัยเนี่ยไม่พิจารณาแยก่อนบริโภคอาหารโดยไม่แยกาคายกินเพื่อเล่นเพื่อมองวันเพื่อตกแต่งเพื่อสวยงามเพื่อความไม่ทันตอดไม่รู้จักประมาณในโภชานาะไม่ได้พิจารณาก็ บ, บริโภคลักษณะมิผิดนะ ฉะนั้นในลักษณะที่ถูตกต้องก็ต้องว่าอินเทเรียสุคุตตะทวารตาคืความคุ้มครองในวารในอินรีทั้งหลายก็คือตรงนี้เราเป็นเรื่องที่ว่าอินทรีทั้งวรระวังไม่บาปอกุศลเกิดขึ้นระวางไม่บาปอกุศลเกิดขึ้นถ้าระวังไม่บาปอกุศลเกิดขึ้นที่นนในด้านของ อินทรังวรก็คือว่าแตตรงนี้ใจทางวา่างใจอย่างนี้ก่อนนะว่าการปฏิบัติใอินทรังวรในยามที่เห็นหรือได้ยินเป็นต้นเนี่ยทําให้โดยการหยุดอยู่โดยสติสักวารูปที่เห็นเป็นต้นแต่ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนดูก่อนภายะายะให้อย่างนั้น เธอศึกษาอย่างนี้ว่าจริงใดที่เห็นแล้วจับมีเพียงรูปที่เห็นแล้วเท่านั้นเห็นจับเป็นศัพ์ว่าเห็นได้ยินจับเป็นศัก์ว่าได้ยินเมื่อทราบจับเป็นสักท์ว่ารู้เมื่อรู้แจ่มจับเป็นสักทรู้แจ้มเป็นต้นเหล่นี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคุ้มคลองทวาในอินทรีย์ทั้งหลายฉะนั้นการคุ้มคลองทวาในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ได้บอกว่า เป็นชื่อของสติเขายกตัวอย่างบอกว่าหญิงสะพ้ายหเห็นตะกูลหมึอนทะเลาะ ก, กับสามีแล้วก็แต่งตัวประจัประจามันจะนานเทพกันยาแล้วก็ออกจากบา้านเดินไปสู่เรือนยากระหว่างเห็นวัดเิร ะ, ะมายังปุงอนุรักทาคุระบินดบาบะ นางก็มีจิตวิปัสสาเข้าหัวเลาะตลอดทางพระเทเรศูรก็ได้อสุภะในชั้นยอดพิษพระเทเรศูรกระดูกฟันของนานก็พิจารณาอธิการธรร ม, าามต่อมาก็ยืนเห็นร่างของนา น, นมันเป็นกระดูกทั้หมดอธิการสัญญาเกิดขึ้นต่อมาสามีก็ตามมาก็มาถามเห็นทั้งเป็นผู้หญิงเดินผานพระเทเรศูร์ไม่เห็นแต่เห็นร่างกระดูกเดินผา่านไป รักตรหนักอย่างนี้คือการก า, ารระมัดระวังการทังหมดเพื่อได้ประโยชน์นียังไม่เคยเกิดสักทีเลยเคยไหม <c oughs> ใครหัวล้อไตแล้วเอากระดูกฟันตำรวจพิจารณายล่า ง, างกระดูกทงล่างเลยอันนี้ยังไม่เคยแต่นในคัมภีร์ส่วนโพชเนมตะยุต า, ตาก็คือรู้แจ้ประมาณ ประมาณก็คือว่าในการบริโภคในขณะที่ท่านเจอบริโภคอาหารก็คือว่ า, า, าท่านพิจารณาเสียก่อนบริโภคอาหารโดยแยกทายไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อหวัวมาไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นไปเพื่อความสม ด, ดรู้จักประมาณในขณะที่บริโภคแล้วก็พิจงงารณาใจลักษสางนอันนี้ก็เรียกว่าโวชนินมาจัน ประการต่อมาคือปฏิสังขารนะพลังกาลังคือการพิจารณากับภาวนาพลังหรือกำลังในการเจริญนี้ท่านพูดอีกนิดเรื่อของกำลังปฏิสังขารนะพลังได้แก่ยาอันไม่หวั่นไหวเพราะไม่ได้พิจารณาที่ท่านแถลงรายละเอียดอย่างนี้ว่าบรรดาธรรมเหล่านั้นปฏิสังขารและลคืออะไรคืความรู้ความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นกําลังเลยไงปฏิสังขานะพลังใลังในการพิจารณาคือยานั้นไม่ไหวัไหวเพราะว่ายานั้นไม่ไหวนไหวหมายว่ามีกําลังในการพิจารณาพิจารณาสิ่งต่างๆประการต่อมาบนภาวนาภาว น, นาพนลังในกําลังหรือการเจริญภาวนาพลังในหมายถึงพลังที่เกิดขึ้นแต่ท่านผู้อบรมอยู่ ออยู่ก็คือว่าอบรมอะไรอกรมก็คือว่าโดยพระหมายก็คือพ่อชงเก็บนี่สติสามพ่อชงธรรมวิทยาสัมโพ่อชงปีติสัมพ่อชงปัสัติที่สามพ่อชงวิทยาสามพ่อชงเลยนะสมาธิอุเบคาสามพ่อชงคนลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่า ภาวนาพละคือการเสร็จคุณการทำให้การทำให้มากซึ่งกุศลน่าทำทั้งหลายคือว่าทำสติสังพจนชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำสติสังพจนชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทำมาวิทยาสังพจนชงที่ยังไม่เกิดถ้าจะเกิดด้วประการใดก็รู้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้น วิริยะสามโอดชงก็เหมือมนกันถ้ายังไม่เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นวิริยะสามโอดชมจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็หาเหตุปัจจัยของวิริยะสามโอดชมนัม้นมาทําให้เกิดไม่เกิดขึ้นปีติสามโอดชมถ้ายังไม่เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นให้บูญด้วยอาการอย่างใดก็ทําให้เกิดขึ้นด้วยการลักษณะยนี้ก็เรียกว่าการเสกพุทธการทําให้มากซึ่งกุศลธรรมทั้งหลบยอันนี้เขาเรียกภ า, น า, าวนาภละ คือกําลังหรือภานากําลังหรือภาอนาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อพิจารณายอย่างนี้แล้วก็มันแยกแยะในกิจกรรมส อ, อตนตรงนี้ที่จริงในรายละเอียดมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงในรา่องของโคดชมเนี่ยรายละเอียดมันเยอะแต่ในที่นี้ไม่ไม่ไดเอามาไขให้รายละเอยียดมากเพราะว่า มีเรื่องมากเยอะประการต่อมาคือสตสิพละกับสมาธิพละสติพละมี่กําลังคือสตนินี่ปัญญาแล้วสมาธิพละกําลังคือสมาธิถ้าสติพล sal ังก็คือสติคือการไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีสติส่วนสมาธิพลังสมาธิคือความไม่หวั่นไหวเพราะความุึงเั่นถามบอกว่าสติพละและสมาธิพละเนี่ยถือความมีกําลังแล้วเขก็ไม่หวั่นไหว ดังที่ได้กล่าวในเรื่องของสติมาเนคือไม่หวั่นไหวในการที่ไปหลงลืมสติในการเลื่อนลอยในการไม่จําเป็นต้นส่วนพระก็คือกําลังคนที่มีสมาธิพละหรือกําลังของสมาธิมักๆกลุ่มบุงคนเหล่านี้ไม่คงยังไม่คงจันประการต่อมาคือสมาโถจากวิปัสสนาจากสมรธะการกดจิตให้สงบในตึกระมาณที่สวิตวิปัสสนาความหงุดหงิสองประการนี้เนี่ ตรงนี้ทางด้าของสมถะในวิปัสสนาเนี่ยต้องค่อนข้างต้องขยายนะสมถะเนี่ยในด้านของสมถะมันเป็นชื่อของเป็นชื่อของความสงบสมถะใี่นะมเป็นชื่อของความสงบถ้าสมถะนี่ก็เป็นชื่อของวัสมาธิทั้งหลายคือสมาธิ ถ้าถามบอกว่าสมาธิระดับไหนที่เรียกว่าสมาถะก็ต้องบอกว่าสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงสูงสุดของสมาธิระดับไหนนั่นก็เรียกว่าไอในด้านของสมถะไอตัวสมถะเลยเนี่ยอารมณ์สมถะมันต้มีเยอะเนี่ยมี กสินสิบสุภาษิสโกฐาอนาปนาปิยมนาเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นอารมณ์ของสมาธิทั้งหมดในด้านของสมาธิเนี่ยถ้ากล่าวในคำพีทั้งด้านคำพีริศจิมั่งเนี่ยเขากล่าวไว้เยอะทั้งด้านของสมาธินี่เทียบทีเนี่ยกล่าวไว้ค่อนข้างค่อนข้างมากทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสมาธิเนี่ย ก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดในรายละเอียดของสมาธิท่านแยกไว้ขั้นข้างเยอะมากในด้านของสมาธินี่นะแยกไว้ละเอียดเยิงยกตัวอย่างเาาช่นว่าสมาธิอะไรที่ว่าสมาธิที่ชื่อว่าสมาธิเพราะอาจจะว่าอะไร อะไรเป็นลักษณะเป็นรสเป็นอาการปรากฏเป็นประาฐานของสมาธิสมาธิมีกี่อย่างอะไรเป็นความเจ้าหมองของสมาธิอะไรเป็นความของแค่ของสมาธิสมาธินั้นคึรเจริญภาวนาอย่างไรแล้วก็มีอา น, นิสงส์อย่างไรเยอะถามบอกว่าอะไรคือว่าสมาธิสมาฐานหรือสมาธิเนี่นเดียวกันสมาธินั้นมีหลายอย่าง มีหลายอย่างฉะนั้นการบอกว่าภาวะี่จิตมีอารมณ์มันเดียวในฝ่ายของกุศลอันนี้ชื่อว่าสมาธิการที่จิตตั้งมั่นในอารมณ์นนมเดียวแต่ตั้งมั่นนั้นต้องเป็นกุศลในขณะที่กุศลและปีญงะตั้งมั่นในอารมณ์มันเดียวไม่ ส, สาตถ์อันนี้ก็เรียกว่าสมาธิแต่ถ้าไปตั้งมั่นในบา ไม่เรียกว่าสมาธิในที่นี้อันนั้นเป็นวิจารมาธิในที่นี้ลดับสมาธิเ่ราะคนที่กำลังจะฆ่าคนที่เป็นหลกเจ้าอยู่อันนี้ก็ามีสมาธิอันนั้นเป็นวิจารสมาธนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยนะถามว่าสมาธิในที่นี้เน้นเน้นกุศลคำว่าที่เป็นสาสตองกุศลถ้าต้องบอกว่าภาวะที่ิมีอารมณ์อันเดียวแต่ต้องเป็นกุศล ท่า น, นในขณะที่กุศลเกิดขึ้นก็ดีมากแตับฑ์กุศลเกิดขึ้นก็ดีจต่เยรงอันเดียวไม่ไม่ซัดสัส์อันนั้นเป็นสมาธิปัญหาต่อมาคือว่าที่ชื่อว่าสมาธิเพาะอ่ตราตั้งมั่นถามว่าที่ว่าตั้งมั่นนั้นได้แก่อะไรตั้งมั่นจะได้แก่ว่าความตั้งอยู่หรือดำรงอยู่ของจิตและเจวสิฐิทั้งหลายในอารมณ์เดียวอย่างสม่ำเสมอ ขณะการสร้างมั่นในอารมณ์ันเดียวของจิตและเจริญโดยสม่ำเสมอโดยถูกทางด้วยตั้งโดยถูกกรรมด้วยนี้ทางในทนั้นก็คือว่าสัมมามิฏฐตั้งเป็นไปตามลนดับของสัมมาทิฏฐิเป็นต้นฉะนั้นจิตและเจริญสิททั้งหลายที่ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างสม่ำเสมอและถูกทางแล้วก็ไม่พุ่งตั้งใม่สายไปในอารมณ์อื่นเรื่องหน้าเปนธรรมชาติใดธรรมชาติหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าความตั้งมั mm ่น hmm. แล้วก็เห็นว่าเอสมาทีในตั้งตั้งมาในขณะที่ตั้งมั่นทางใดทางหนึ่งอยู่นั้นต้องเป็นกุศลในขณะที่ตั้งมั่นู่นั้นในทักษะที่ทุกขสร้างด้ยเคเกิดขึ้นในเราเวลาเราฝึกในทักษะอะไรนี้เจริญอาณาปานนั่บ้างเจริญพุทธคุณธรมัมมาคุณสัมพคุณเป็นต้นเหล่านี้สมาธิจะตัมาในอารมณ์เดี เช่นจะดูลมหายใจเข้าออกก็ตั้งมันในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างนี้นะไม่ซาตานไปในอารมณ์ไม่วันไหวไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละอย่างนั้นเขาเรียกว่าการของสมาธิคือความตัางมันถ้าสมาธิต้องตั้งมันสมาดานต้องตั้มันแล้วการตั้งมันของเราต้องตั้มันอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ลักษณะลักษาประดิษฐ์ประทังะคะัน สมาธิมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นละะักษณะบางคนบอกว่าไปเจริญสมาธิบอกโอ้หวันี่ฟุ้งทั้งวันอันนี้ไม่ได้ใชแสดงว่าสมาธิไม่เกิดถ้าสมาธิเกิดไม่ฟุ้งมีการกำจัดเสียซึ่งความฟุ้งซ่านเป็นลัเป็นหน้าที่ถ้าสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเขากำจัดอะไรกจัดความฟุ้งซ่านมีการไม่หวั่นไหวเป็นอ า, านการปรากฏ นู้นแตกอย่างนึคนเดจอสมาธินี่นะที่เจอธุรกิจทิ้ตั้งนานไม่ไหวมีอะไรรองรับมีอะไรเป็นปรราฐานของสมาธิกระจกหัวศีเป็นปรราฐานของปสัทธิปสัทธิเป็นปรราฐานของเออศีนเป็นปรราฐานของปาโมตปาโมตเป็นปรราฐานของปีติปีติเป็นปรรดาฐานของปสสัทธิ ปัจเป็นพละฐานของสุขสุขเป็นประฐานของสมาธิฉะนั้นสมาธิมีอะไรเป็นพละฐานก็มีความสุขมีฉะนั้นก่อนที่สมาธิจะเกิดเนี่ยความสุขจะเกิดก่อนนะก่อนที C ่ความสุขจะเกิดเนี <slowed wide coordinate> ่ยอะไรเกิดก <t> ่อนปีติเกิดก่อนก่อนที่ปีพอไปปัจจุบันเกิดก่อน ก่อนที่ัจจัจะเกิดีปีติเกิดก่อนก่อนที่ปีติจะเกิดตาโมเกิดก่อนก่อนที่ตาโมดจะเกิดศีลนึงเกิดนศะีลตาโมดปีติปัจจ ส, สุสมาธิจนะเกิดใช่ไหแบบนี้ไม่ใช่ว่าสมาธิเกิดแล้วมันเะกิดเป้าสุขหรอเม่าไ่นะสุขต้องเกิดก่อนสมาธิ ถ้าจะเรียนภาถาไปเรื่องเกิความสุขใจในสมาี่ใกล้เข้ามาแล้วเนึ่ยความสุขเนี่แต่สุขสมาธิมันก็วนเวียนวนเวียนกันอยู่แต่เป็นปัจจัยแข่งกันกันแต่ว่าจริงๆแล้วสุขนั้นเป็นประทัดถามตรงสมาธิคนบางคนหัวสมาธิมีอย่างเดียวคือความไม่ฟุ้งต้าน็นราการแร ก, แกันวิธีการสามารถสมาธิเนี่ยถ้านับหนึ่งอย่างก็ได้นับอย่างเดียวคือความไม่ฟุ้งก้าน ความไม่รุ้งจังท่งานาว่าพิจรารณายอย่างนี้ก็จะเริ่มมองสมาธิออกใ น, นเวลาเราไปเจริญสมาธิกันทั้งหลายนีก็ให้ระเกียดดูาบางคนติดอยู่แค่ความสุขยังไม่การได้นนสมาธิกบบมีความสุขแล้วก็พอแนละ้วความเป็นิต้ก็มีความสุขมากตอนบางคนแค่ไปฝึกโยคะนี่ยนะ วันก่อนเขาวางคนที่เขาไปปรุงโยคะต้องมีความสุขเขาเข้าใจชีคมีเขารู้แล้วเคมีคืออะไรแรงจังเนี่เป็นต้นของสมาธิเท่านั้นคือเขาได้ความสุขแล้วก็ได้สมาธิระดับเป็นเล็กน้อยแค่นี้แค่นี้ชีวิตเขาพอแล้วเพราะว่าเขาไม่หวังอะไรมากไปกว่านั้นเนองคิดดูวันนี้ไม่ใช่ชาอะไรเลยนะคนเองถ้าได้รถหัวฉาญเนี่ยเอารถเบนซ์มาแลกไม่เอาขนาดนั้นเลยนะพูดแกดีเอาจจะไม่เชื่ออะไรใช่ไหม ถ้าได้ยืนยิ่งกนจะเป็ น, ย, น, นะะยัง้งมันจะเห็นภาระมากรถครันนึงจะมาได้สมาธิพอได้สมาธินี่ยโ้โหมีความสุขมันสุขเกินโลโลเยี่ยง ส, สี่สุกเกินกลางมาสุกในปร ส, นนนสุญญาเลยนะสุกยังบอกไม่ถูกคบสุขมากกว่าในโลกใบนี้ทั้งหมดคือสุขมากกว่ากลามาภุมทุกชัถ้าเราปรสุญยาเปนไ น้องคิดดูว่าสุขที่เป็นทิพย์เราเป็นกลามใช่ไหมเช่นเทวดาที่ไนจะจ่าปหมาลาธิกาดาวจริงายามาดุสิตานิมาราลีบาลาลมิโซะโดีกชั้นในถาหก้นั้นเนี่ยเขาเป็นกลามาสุขนะแต่ถ้าจะมาถ่อมมาชานปุ๊กเนี่ยมันเลยกลามาสุขลองคิดดูสุขที่มันละเอียดกวกลามาสุขอันนี้พูดอะไรสองมึงความสุขในฌานในความอย่างนี้ขงคนไข้เคงขนาดั้นงั้นสุขมากกว่ากลางมาุลนล มากกวการบำรมงทั้งทั้งทั้งหกครูเลยนะสมาธิอย่างเดียวก็คือรา่างลงหรือไม่คงสร้างมันเป็นประการได้ถ้ามีสองอย่างถ้าเราณ์นับยังไงแยกเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิถ้าเป็ น, าาปนาสม า, นาสมาาก็คือโลกิยสมาธิโลกุตตระสมาธิแยกเป็นสองนะ หรือหมวดที่สามก็แยกเป็นสัพปีติกะสมาธิสมาธิประกอบกับปีติกับนี้ปีติกับสมาธิสมาธิปร่าสะจากปิติหมวดที่สี่ก็แยกเป็นสุขขาสะกสมาธิสมาธิประกอบกับสุภเวทนาอุเบกขาสมาธิสมาธิประกอบกับอุเบกขาสะอันนี้ว่าด้วยสองหมวดสองน่ะสมาธิสองอย่างถ้าสมาธิสามอย่างก็คือแยกเป็นหีนาสมาธิ ม่ใช่มาสมาธิปณิกาสมาธิอย่างต่ำอย่างการอย่างต่ำนี้ถ้าสามอย่างที่สก็คือว่าสวิจารกะวิจารสมาธิสมาธิที่มีทั้งวิโตกวิจารอวิจากะวิจารสมาธิสมาธิไม่มีวิโตกมีแต่วิจารอวิจารกะวิจารสมาธิไม่มีทั้งวิโกไม่มีทั้งวิจารที่หมดสานี้ มรดิสาวะแยกมรดิสาวะปีติสาวะขัดสมาธิสมาธิประกอบด้วยปีติสุขะสาวะขจับสมาธิสมาธิประกอบด้วยสุขเวทนาอุเบกขาสาวะขจัดสมาธิสมาธิประกอบด้วยเบกขาเวทนาทั้งหมดสก็คือปริสต์สสมาธิสมาธิมีประมาณน้อยมหาะดับสมาธิสมาธิที่ยิ่งใหญ่พระราชาสมาธิสมาธิที่มีคขาประมาณนี่ได้อันนี้ก็คือเขาว่าไปอีกเรื่งนะเกี่ยวเรื่องนองสมาธิก็ต้องไปขยายรายละเอียด อันนี้จะไม่ไม่ลงไปได้รด า, ายละเอียดทั้งนั้นก็เป็นการบรรยายคำพิเศษที่มากแต่ต้องการให้รู้ว่าสมาธิเนี่ยการฝึกจิตให้สงบเป็นไปดนน้วยการเป็นไปดนน้วยการยึดังทีง่ได้กล่าวว่าเป็นความสงบสงบในที่นั้นก็คือสงบจากานิวรรยาธรรมทั้งหลายสงบจากานิวรรยาธรรมทั้งหลายอันนั้นจะชี้ถึง เป็นอของสมาธิทีนี้ในส่วนของปัญญาวิปัสนาปัญญาเนี่ยคือความเห็นแจ้งเนี่ยถ้าจะขายายเกี่ยวกับเรื่องของในด้านของวิปัสนาปัญญานีในเรื่องของปัญญาเนี่ยท่านจะแปลแปลว่าไรอย่าง ในด้านของในด้านของปัญญาเนี่ยในความหมายบอกว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงลักษณะของปัญญาเนี่นะวิปัสสนาก็ชื่อของปัญญาเน่ยมาขยายกันลักษณะของปัญญาเรื่องของปัญญาที่บอกว่าธรรมชาติที่รู้เหตุนผลในสภ า, าวะารําตามความเป็นจริงรู้อะไร ธรรมชาติที่รู้เหตุผลของกรรมตลอดถึงรู้เรื่องอริยสัจสี่ทุกเกตุให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็ได้ถือรู้ใจ ร, รักคืออนนี้จำทุกข้าหน้าตาเป็นต้นอันนี้ก็คือลักษณะของปัญญาทีนี้ลักษณะของปัญญาเนี่ยเป็นใหญ่ในข้อตามเอาวิชามีหน้าที่รู้ตามตามเป็นจริงบอกว่ามีการรู้แจ้งสภาว่าทำเป็นลักษณะ ีละปัญญาแบงนี้นะแล้วก็กําจัดความมืดมนอันตการาคือโมหะอันปกปิดไม่เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้ิคือถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหน้าที่กําจัดกําจัดอะไรกาจัดความมืดหรือกําจัดอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็กําจัดตัวนั้นตักงแตนี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญา ประการต่อมาคือว่าตัววิปัสสนาบรรยานี่นะอย่างที่พูดมาจะพูดโดยที่พูดโดยเรื่องของสมบชัญญาติในเดียวกันเดียในเดียวกันเดียมีการแทงตลอดสภาวะแล้วก็ใทงตลอดไม่ผิดพลาดมีการไม่ลุ่มหลงเปนต้น อ, อะไรเป็นบรรดาฐานมีการประกาศความจริงก็ คือประกาศความจริงประกาศความจริงวันนี like ้ทุกเนี Son ่ยเขาก็ประกาศความจริงวันนี้ทุกเนี่อประกาศความจริงวันนี้ทุกนประกาศความจริงวันนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เกิดเป็นความดับทุกถ้าประกาศความจริงคือมีการประกาศปรมัตถธรรมเพื่อว่านี้เป็นตูวเวรนาสัญญาภาษาจิญญาณนี้เป็นจิตใจสิกนี่เป็นตนแล้วก็ ทำอริยรรสัจสี่ให้แจ่มแจ้งเป็นกิจของเ้าเลยมีความไม่หลงไหลาจากความจริงแล้วก็มีสมาธิเปรเีกยกแระลักษณะของปัญญาเลยเป็นี้ปัญญามีการแทงตลอดสภาวะแทงตลอดไม่ผิดพลาดเหมือนอะเหมือนในภานเหมือนเหมือนการแทงถูกที่หมายลูกศรของนายคำมลวงทูผู้ชนด สองเห็นความจริงเป็นจิตก็คือเหมือนปฏิบัติสองไม่เห็นวัตถกในความมืดมีความไม่หลงลืมเป็นผลก็เหมือนผู้ชี้ทางในคนที่จะไปในป่ามีความสงบเป็นเหตุใการใหเกิดนั้นปัญญาในเวลาเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างทั้งที่ควรเสด้วยควรเสดที่เวลวและปรานีเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้เขาอุมาวันไหนแพทย์พิจารณารู้จักเหตุสับอันเป็นที่สบายหรือไม่สบายเนะี่ย ลักษณะของปัญญาจะเป็นเปองนปัญญาจะรู้ขันห้าอายตนะสิบสองข่าสแปดปัจจารีอินทรีย์ยี่สองปฏิจารุบ่ายลักษณะนี้เป<ม>็นชื่ อ, อของปัญญามีเขาเรียกวิปัสสนาปัญญาลักษณะของวิปัสสนาปัญญาจะเป็นนี้นนก็ตอนในรายละเอียก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนี่ก็เป็นไปแล้วนันะ่นสมถะหรือปัจจนาเนี<ม>่ย<ม>ในทีนี้อาตหาท่านไม่ได้ขยายตัว ประการส่อมาคือสมถะมีมิติมีิตแห่งสมาถาตักอาหารมมิติมิตแห่งความเพียรสมถะนั่นเองเชื่อว่าสมถะมีมิติเรื่องหน้าแห่งมิตแห่งสมถะคือการถืออาการนั้นแล้วถึงให้เป็นไปอีกคือสมถะมีมิตคือมีมิติแห่งสมถะก็คือเกี่ยวกับอารมณ์สมถะนีมิตนิมีเกี่ยวกับในเรื่องของจิสิทธิ์อสุภัสสิทโกฏิฐานสัมปันย์เป็นต้นตักอาหารมมิตเนี่ย กรณีนี้เกิดขึ้นเพราะความเพียหรือตากล้องเรเกิดความเพียรปักอาหาก็แปลว่าความเพียรเอาวิเศษตักก็แปลว่าความไม่ฟุ้งซ่านตักอาหารความเพียรส่วนเอาวิเศหามีความเอาวิเศตักมีความไม่ฟงุงซนถ้าเราไม่เจอศัพท์นี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าระดับปักอาหาเนี่ยถ้าด้านการเจริญวิปัสสนาเนี่ยถ้าไปถึงปักอาหารก็ออกเพียรขนาดไหน คนที่จะลังวิพัฒนาแล้วไปได้โอกาสคือปากอ่างห่านนี้นงนี้ปัสโนปกิเลสจะเกิดขึ้นขนาดไหนเราจะเห็นผิดปกติเดินจากการรินบนเกียร์ค้างการยืนบนระยานขยายในการยืนเดินนั่งนอนในการยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งวิจารณาอะไรต่างขยันมากผิดปกติขึ้นมาเลยแต่การบางทีเราก็เห็นแค่เดินยองเราคุปฏิบัติปกติธรรมดานี่ไงต่อไปไม่ต้องบอกแล้ว วันๆได้ไม่เราไม่นอนเลอะไรเงี้ย oh ก็เรียกปักขะค่ะคือความเพียรที่มีกำลังความเพียรที่มีกาลังได้นั้นต้องบวกกับสติปัญญาต้องมีสติปัญญาเกิดขึ้นถ้าความรม้งซ่ส่วนอาวิเชตปัดก็คือความมีใจแน่วแน่ความไม่สร้างซ่านนี่นะก็คือความมีใจแน่ การสมาธพูดถึงในเรื่องอสีลวิบัติและทิฐิวิบัติสีลวิบตวัติเนี่ยสีลวิปัตติกับทิฐิวิปัตติจะบอกว่าสติและสมัมปชัญญะปฏิสัขาก็ลาเนเ่นี้ะสีลวิปัตติหมายถึงความไม่สมรวมมันเป็นตัวทาให้สีลพินาศ สีเรา ว, วิบาก ค, คืออะไรคือความละเมิดทางกายความละเมิดทางวาจาความเป็นผู้ทุกข์สี่งเป็นต้นหเหล่านี้ยทุกอย่างอันนั้นเชื่อว่าสีเราวิบัตกแปลว่าสีมันหายไปเออในกลุงที่รักษาสีเนี่ทั้งหลายเนี่นะถามมาเป็นบ่อยนะเรื่องสีวิบาก่อนข้าดีคือบางทีจะมาทานสีกันแล้วแล้วในตัวจริงก็คือ ขาการละมัระวังถางการทำรงุงเฮ้ยถึงดิเสียก็วิบัติล้วถ้าสียวิบัติเนี่ยวิธีคิดี่เนี่ยสียงเป็นซับไหมในวิธีที่เขาคิดสียงเป็นซับใช่ไหมฉะนั้นถ้าหากว่าเสียวิบัติเนี่ยซัวิบัติเนี่ยทีนี้เสีเนี่ยมันเป็นต้นทุนของอะไรมันเป็นต้นทุนในการมนุษย์ฉบับแล้วสว่งสางฉบักจุดเป็นตรงนี้นะ ฉะนั้นกอที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระเป็นต้นนั้นคือต้องมีสีถ้าสีมีบาปเสียหายเลยความเป็นมนุษย์ความเป็น us, เทวดาเสียหายเนะี่ยต่อไปเราจะไม่ได้ตรงนี้เลยมันเหมือนว่าคนไม่มีทรัพย์เนี่ยเราไปร้วมไปในกระเป๋าไม่มีเงินเลยเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะซื้อจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้มันไม่มีเนี่ทถ้าทำในเรี่องสีเนี่ย แต่อยากจะได้มนุษย์สมบัติเนี่ยไม่ได้แล้วจะถึงว่างวามเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้มีแต่พร้อมอยากเดียวเ้มือนคนไม่มีทรัพย์เป็นคนยากจนในแม่ทำที่ไหนเขาเรียกเป็นคนจนนะั้นถึงจะเป็นคนรวยยางไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสีนเขาก็เรียาจนเขาเรียกไม่มีอริยทรัพย์สินเนี่ยพระพุทธเจ้าหลอนไว้ประทานไม่ให้ ประธอิรั์ัไว้ให้สาวกของหลองคนที่เป็นสาวกที่กระธานโยคัตวีรี่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบพิธีปฏิบัติชอบพิเตอร์เหล่านาี้เขาก็เขาก็รับสิงเขาว่าทีนี้พอเขารับสิงเอาไว้นะนี่เขาเขาเชื่อบังเขาก็ได้ได้รับตรงนั้นอย่งนี้ทีนี้พอทักนั้นพอสินั้นวิบัติเนึ่งก็แปลตายคนยากจนนั่นเองนันะ เหมือนกับคนเราเรามีเงินมีทีทรพัพย์สมบัติอ่ดีตม า, าม ท, าทรัพย์มันวิบัตอะไรนี่มีเขาเรียกว่ า, าทรัพย์มันวิบัตเลยนอันนี้ตรงนั้นใช่ถ้าสิา่งวิบัตก็ถือว่าพวิบัตต่อไปเราจะไปต่อรองข้างบนกไม่ได้ต่อรองกันใครก็ไม่ไ้เขาเรียกว่าดูมันจะโกโอยู่ชาติเดียว <laughs> เ อ, อยงยู่ปนิดเดียวันเดวตายนึงชาติดูมีน้ำมีตาแล้ว อันดีอยู่ชาติกไปอีกชาติในวัยุย่งนะคน เ, าเาราอดประมาทเป็นนีเมลาในปัจจุบันนี้ผนี่ก็ประมาทนันตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในด้านของศีลแล้วิบัติเนี่ยต้อง การไม่สัมรวมอันเป็นตัวการไม่สัมรวมทางกายทางวาจาตลอดถึงไม่สัมรวมทางใจด้วยเียเทียบทำให้ศี่พินาศความร่วงระมือเนี่ยร่วงระมือทางกายทาง ว, จ า, วาจาความเป็นผู้ทุศีลเป็นเพลส่วนทิฏฐิวิปัสสติหมายถึงมิฉาทิฏฐิเป็นตัวการทำใด้สัมมาทิฏฐิในพินาศเออตรงนี้นะ สัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นชื่อของเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าสาวัตถุเห็นสมาทิฏฐิ ม, ม, มีอยู่สิบประการอัตตินานเหือว่าบุญทางที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลอันนี้เป็นสมาทิฏฐิอัคที่ถานหรือการบูชาต่างๆที่กระทาแล้วย่อมมีผล อติหูต่างก็คือการเชื่ it, อเชิญวงสวงมีผลเหมนกันอธิสุกตากาสุกตานางกรรมานางาลังวิปากโกมันต้นการทำมีการทำเชื่อมีการให้ผลทางทางตรงและทางอ่อนว่าเชื่ออันนี้มีปัญญารู้เข้าใจอธิอยังโลโกโลกนี้มีอยู่ผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ก็นี้หมายความ่าโลกนี้มีไหสักที่มาจากพวกเพื่อนก็เกิดในพวกที่มีอธิปะโรโลโก้ด้วยว่าโลกหนั้นอยหนี้ คนที่จะไปจากโลกอื่ไปสู่โลกหน้านี้ไม่มีอย่างนี้โลกอื่นมีอธิมาตาคุณของมารดาทําดีทํำชั่วต่อม า, ด า, ดาราบาบาบาบดาอุดายมีผลั้นมีอธิปิกาก็อุดายาอธิสัตตาโอปปาติการ์เห็นว่าสัตว์ที่เกิดเตาทันทีเนี่ยเช่นสัตว์นรเกเปรตอสุรกายสัตว์ใน ร, ราชาเทวดาและธงบางกล่าวเนี่ยกลุ่มพวกนี้โตผลขึ้นเนี่ยพวกมีปัญญาด้านสมาธิเราเชื่อส่วนอธิ โลเก ส, สัมมนาธรรมนาสัมมาปจจานาเป็นต้นสัมมนาทางผูป้ปฏิวัติปฏิบัติชอบปรงจักแจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตัวเองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามที่เชื่อการตัดสูน ข, ของพระพุทธเจ้าสาวุของผูง้เจ้าอุตตรปัญญาที่เข้าไปรู้รักษณะสิ่อย่างนี้ก็เรียกว่าท่สาทสาวท่าสาวแปว่าถุส ม, มาที่ขีติปัญแต่ถ้ามีทิฏฐิวิปติ หมายถึงพิถีวิบัติตัววิจฉาพิาถีเนี่ยเป็นตัวการทําให้สหมาพิถีทั้งสิบประการพี่น่ทีนี้บรรดาคําเหล่านั้นพิถีิบัตรคืออะไรความเห็นที่ว่าทางไม่มีผลถ้ามันจะเห็นตรงกันข้ามเลยบอกว่าบุญทางที่บุคคลให้แล้วมีผลมันจะเห็นว่าไม่มีผลนี่ตมามงวิชฉาพิถีเกิดขึ้นแล้วว่าจะมีผลได้ยงไหมัวจะอยให้คนอื่นอยู่เจอรํากินจะเป็นขอกินเนี่ยแล้วมันจะคิดอย่างงี้ไง การบูชาต่างๆไม่ได้มีผลหรอจะมองไปบูชาทําไมมันถ้าเราอย่าไปคิดนะว่านีิก็บูชาบวงสรวงอะไรต่ามันไม่อยู่มีผลนหมการบูชาบวงสรวงจะมีผลก็มีเทวดามีอะไรต่างมันอยู่แล้วก็การทําดีทำชั่วนะให้ผลทางตรงได้ทามองบางคนไม่เชื่อโลกเชื่อโลกนี้แต่ไม่เชื่อว่าจักไหนมาเกิดในโลกนี่เลย อย่างยกตัวอยากเช่ว่าเออเขมีคนเกิดขึ้นมาเขาเชียอติคิดว่าโอ้เกิดจากพ่อและแม่แค่นั้นเองแต่ไม่ค <c oughs> <yan> ิดว่ามีสักมาถือปฏิสัติตรนี้อาจยอย่างนี้นะไม่คิดว่าสักมาถือปฏิมาถือปฏิมาจะพบเลยมาถือปฏิถนอที่จึงจึงมีการเกิดขึ้นเป็นต้นเลยที่นั้นตัวนิรีนกรพิทิบบะนิกรายนั้นที่ิีบบัติ อภรรการต่อมาก็คือศีละสัมปทานกับทิฏฐิสัมปทานสีละสัมปทมมานเขาเรียกว่าความถึงค้อมแห่งสีทิฏฐิสัมปทานถึงค้อมแห่งทิฏฐิสีละสัมปทานความหมายราโสระจักนั่นเองที่ทกล่าวไว้ในขั้นต้นนั้นเอง ความไม้รวม่วงระเมื่อทางกายที่ว่าสีและสั ม, มปทาพยายามสีให้ถึงสมบูรณ์ก็คือการรักษาสีทั้งหลายความมีสีทั้งหลายทั้งปาฏิโมกข์ทั้งวนสีอินทรีทั้งวนสีเป็นต้นเหล่านี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าสีและสัมปทาตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับนี้ตรงการรักษาสีจริงท้อ ก็เป็นปาฏิโมกข์สังวรสีนิสิติสังวรสีอาชีวปาฏิสุทธิสีกับปัจจยาษษสันนิสิตาสี น, นี่ลายละเอยีอยดขั้นข้างนี้สีละสามปรชานี่ก็ไปตรงนันบว่าสีละวิสุทธิแต่มันเนลประเด็นกันถึงพร้อมไดสีก็ถึงพ้อมไดปาฏิโมกข์เป็น ก, การสํงรวมในปาิโมกข์เว้นจากข้อห้ามํำตางข้ออนุญาตตะกุดเคร่งครัดในศีรษะบททั้งหล กินเรียสังวานก็คือสังวามินตีระว่าไม่บาปส่วนครอบงำเมื่อได้รับรู้อารมณ์ในอินทรีย์ทั้งหกอาชีวประลิศที่สิ่งก็ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวในการเลี้ยงีพทั้งทางตรงในทางที่ชอบไม่ประปอบอเนชาณในการหลอกลวงเลี้ยงชีพเป็นต้นส่วนปฏิญาณมิติตัดศีนก็เกี่ยวกับปัจจัยสี่ตัดใจปจัจจเวิกิจารณาแช้สายปัจจัยสีเ่เป็นไปนตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้นไม่บริโภคด้วยปัญหาเป็นต้น อันนั้นก็เสีลสัมปทาส่วนทิฏฐิสัมปทาถึงความได้ทิฏฐิเนี่ยอันนี้หมายถึงทําให้ทิฏฐินี่ยสมบูรณ์ก็อย่างที่พูดสักครู่การให้ทานนั้นมีผลชาตินี้ชาติหน้าเป็น ต, ต้นคุณพ่อแม่ดีดามันดาเป็นต้นก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละความรู้ความเข้าใจาการมีผลการบูชามีผลเป็นต้น ลักษณะนั้นเป็นทิฏฐิปรการต่อตมาคือว่าสีลวิสุธทธิความหมดจดแห่งศีแลว้วก็ทิฏฐิวิสุธทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิศีนั้นสามารถให้ถึงความหมดจดได้ท่านจำแนกจำแนกยางไงในข้อพิทามจำแนกอกว่า ความไม่ละเมิดทางกายความไม่ละเมิดทางวาจาความไม่ร่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าสีละวิสุทธิสีวสีละวิสุทธิฉะนั้นในดานสีละวิสุทธิท่านจะเอาพวกที่แหละเอาปาฏิโมกขังวรสีอินทร์สังวรที่จะยกตัวอย่างสัพเพอเนี้ยนั่นจะเป็นสีละวิสุทธิยกตัวอยางเช่เนว่นาพิษูในพระสารสนานี้ เป็นผู้สำรวมแล้วในปาติโมกฉังวอถึงพร้อมด้วยอาจาระและขูดจาระมีปกติเห็นภายในเข้าทั้งหลายมากกว่าเล็กน้อยย่อมสมาทานศึกษาในสึกขาบททั้งหลายดังนี้ชื่อว่าปาติโมกฉันวออนิปรกามหนึเนี่ยพิจูดเห็นรูปได้จักสูแลเป็นผู้ไม่ถือเราซึ่งนิมิตไม่ถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะอภิชาและธรรมนาทั้งหลายอัจรธรรมอัลลามโมทุนไหลายตามพิจู ผู้ไม่สํารวมจักขุนศีพ่อเหตุเหตุการไม่สำรวมเป็นสีใดอยู่เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักทุกสีนั้นย่อมรักษาจักขุนศีย่อมถึงความสํารวมในจักขุนศีฟามเสียงดมกินลิ้นลัดสําผัสรู้ปวดจภาพรู้แยงทำอารมณ์แล้วก็ไม่ถึงนิมิตไม่ถึงนุปริยชนะย่อมถึงความสำรวมในม่านดุสีอันนี้เรียกว่าอินเสดินสำรวมส่วนความงดเว้นจากมิฉาอาชีวะที่เป็นไปด้วยหน้าเหตุการละเมิดศีขาบว ที่พรุทธเจ้าเป็นอยากไว้อาชีวะเพราะอาชีวะเป็นการเรื่องหนาเทนบาปประทังทั้งหลายบวกการหลอกลวงการพูดโยกการทำนิมิตความเป็นผู้พูดบีบบังคับความปรารถนาสายล่ต่อราบเป็นต้นอะไรเนี่ยนะอันนั้นเป็นอาชีวะบ ร, ะริสุทธิ์ที่สีส่วนการใช้ศรัทธาจิตใจเป็นต้นเหล่านี้ก็ก็เป็นอภิยะสนิทที่สี่ทีนี้ท่านก็ขยายบอกว่า กุลบุผู้บวกด้วยสรัทธาที่เชื่อพิสูจน์เนี่ยก็เพราะความที่เห็นภายในสมสารคําว่าเห็นไทยในสงสารก็แปลว่าการเวียนว่ายการเกิดเรียกสงสารปัจจุบันในเวลาเรามาพูดกันว่าสงสารนี่เลยสังสาระนั้นไหมคําว่าสังสาระก็แปลว่าสงสารสงสารก็แปลว่าการเวียนตายเวียนเกิดนะคำว่าสงสารในการเวียนตายเวียนเกิด ไม่แปลกเลยนะถ้าเราเห็นใครเราบอกว่าเราสงสารบอกว่าเราเย็นตายเย็นเกิดแต่อย่าลืมว่าราาู้การด้วยเย็นด้วยนะคือไม่ได้บว่าสังสารละสังสารโรตีโตมเจฉิตการมีไหวาจเกิดความเป็นผู้เพราะความที่เป็นผู้ทรงพระสิทผู้บวชด้วยศรัทธาและทรงพระซึ่งหมายถึงบันไดชิดกันสํารวมในปาดิโมกก็คือสี่งิษฐขาบวช ข้อห้ามและข้ออนุญาตให้ระพฤกษของพุทธบัญญัติเมื่อบุคคลรักษาดีแล้วย่อมอย่าให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีทุกแนวบาปน็นทุกสีที่รักษาทุ่มครองนีแล้วจะเป็นปัจจัยใหรือพ้นจากทุกคือสีลที่เรารักษาดีแล้วยืนเป็นปใจพ้นจากทุกระดับแรกมันเรือทุกแนวบายประการที่สองมันเรือทุกคือการเรียนว่าใจพ้นจากางสัย ฉะนั้นสีที่เรารักษาดีแล้วเนี่ยต้องดีแล้วเนี่ยที่เป็นสีระวิสุธทธิเนี่ยนะจะเป็นปัจจัยการพ้นจากทุกในสังสาวรวัฏเมื่อต้องที่เราได้ไม่แเลย็คือทุกในอวัยวะภูมิคนที่มีสินบริสุทธิ์นี่นะถ้ามันจะต้องเกิดก็ไม่ลงอวัยูมดีไหมดีใช่ไหมเหลืออย่างเดียวยังไม่ได้เอาไปรักษา อนี่มันมันเป็นข้อข้อมั่นใจเออถ้าเราศึกษาคําสอนจนจนมั่นใจตัวเองแล้นีน่พอมั่นใจแล้วตัวนี้มันมันเดินหน้าเลยไม่ไสหลังทีนีกว่ามุ่งมั่ น, นสุดเพราะความมุ่งมั่นที่จะ เ, เกี่ยวข้องกับศีลรักษาศีลสมาทานศีลเจริญศีลในชีวิตจริงจริงในสุดจริงมัจะทําศีลให้บริสุทธ ทำศีลให้บริสุดก็คือว่าไม่ ร, าาร่างกาสศีลเมื่อตัณหาได้มานั้นด้วยติชศีลตรงนั้นก็จะเป็นวิสุทธิ์ที่ตรงนี้นี่แหละก็เรียกว่าจะเป็นปัจจั ย, ยาการพ้นจากทางเวรวาทใดเกิดส่วนคําว่าสังสวรเนี่ยเป็นชื่อของความไม่เข้าร่วมไม่ร่วมละเมิดทางกายทางวาจาสังวรคือปาติโมกชื่อว่าปาติโกสนนังวร พิสูจน์ผสังรวมแล้วด้วยปฏิโมกข์สังวรงฉะนั้นเป็ชื่อว่าเป็นผู้สังรวมด้วยปฏิโมกข์สังวรเข้าถึงและถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระโสอย่างอาจาระคือวางหลอดเลือดมันยากที่ดีงามบางจัญญาบางาไปเก็ดความไม่ก้าวล่วงทางการและทางวาจาความมีสิ่งสังวรทั้งหมดแต่ชื่อว่าอาจาระเออเขาถามว่าคนนี้อาจาระมีมันยาไหมตรงนั้นจะเป็นชื่อของการไม่ร่วงหลงเลย คือไม่ทำบาปทางกายทางวาจาโดยตรงในตัวนั้นเลยเขาเรียกมีอาาจาระอนณาจาระความประพฤติไม่ดีงามไม่เหมาะสมเนี่ยรันโดชคิดความก้าวล่วงทางกายทางวาจาเป็นคนทู่มสีทั้งหมดเขาเรียกอาณ า, าจารอาณาจารแต่ว่าจะพูดตามตาว่เาเรียกอนณาจาระแต่ถ้าอาณาจาระทางโลกทางกฎหมายเนี่ยก็แปลว่า เออเป็นธรรมานาจามผู้ใหญ่เป็นธรามานาจามเดิกจะไม่รู้วเลยธรรมานาจามผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าแล้ะเป็นอนาจารมันคนละอย่างกันแต่ถ้าอนาจารย์ทางท่าทาินัยเนี่ยก็หมายความประพึ่งไม่เหมาะสมไม่ดีอางคือการก้าวล่วงการประพึ่งผิดทางกายทางว า, าจาเป็นอาจารก็คือความทุกข์สิ่งนั่นเองฉะนั้นพิสูจบาง ร, รูปในพระศาสถานี้ ยอ่อมําเด็จ ก, การนี้ยีพด้วยการให้ไม้ไผ่บ้างคําว่าให้ไม้ไผ่นก็คือให้ของแล้วต้องการบรรจัสิต้องการวีวอต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคต้องการเครื่องนึ่งหงมก็ให้ให้ชาวเอาสมัยก่อนมีไม้ไผ่เยอะนะก็ก็ก็ไม้ไผ่ไปแลกเยอะเงี้ยไม่ถูให้ใบไม้บ้างให้ดอกไม้บ้างให้ผลไม้ให้เครื่องสน ไม้ชำระฟันสมัยก่อนโหถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมถ่านมาให้ไม้ชำระฟันถ้าไปดูบา้านนี่คืให้ยาทีกวันแต่ต้องการสิ่งแรกเปลี่ยนนะคว้าเป็นผู้ทาตัวต่ตาว่าเป็นเหมือนท่าเป็นท่าของโยมกับท่าบางองทำตัวเป็นท่าของโยมหรือว่าทโยมคอยช้มันไะเห็นบางเห็นเลืกเล็กาเมื่อไหดีเม่อที่จต้อจัดงาน ยอมก็พอใจเนี่ยท่านตรง น, นั้นที่ยอก็สีกระถางเหี้ยเพราะว่าท่านตรง น, นั้นที่คือไปไปมาแล้วมันมันผิดสิ ง, งก็ไม่รู้ตัวหน้ามันก็ไม่รู้ยอมก็ไม่รู้ยอก็ไม่รู้ไงว่าใช้ผ่านแล้วมันจะต้องเกิดเป็นคนแล้วใช้อ่ะนางคุชชตาลาใช่ไหมนางคุชชตาลาเนี่ยใชยย้ใครใช้พระอัยยะ นี่นางลยฟังธรรมเนี่ยเป็นเจรฐีะนะนคือเป็นยิ่งใหญ่เสรษฐีว่าไปฟังธรรมในสือตะก้ามาไว้ด้วยนะเขาใส่ของมีค่านี่ก็เววางหันไปรนั่งไปไปเกับก็ใช้พระเถรีบอกหอ้หยดกระจายหน่อยพระเถรีมีอนาคตะไรอยาาด้วยนะ พิจารณาดูใจน้ำ น, น, น, น, นี้ถ้าเราไม่หยิบให้น้ําโกรธีต่ตอกนรกอีกนานเลยเนี่ยแต่ถ้าอยู่ให้เนี่ย อ, อมันจะไปเป็นคนใช้เขาเนี่ยห้าร้อยชาตนาำก็เลยเลือกเลยว่าเ อ, อให้เป็นแค่คนรับใช้ก็าห้าร้ยชาติดีกว่ า, าก็เลยหยิบตะกร้าช่วยอแต่ละขอ้อโอ ทนี้อันนี้หมายใช้คนที่มีศีนะที่ไ ว, ว้ศแลวิสทีนะแต่ถ้าไปใช้พระที่ศีไม่ค่อยบริสุทธิ์ก็ลดสักครึ่งหนึ่งสมมเอาสองร้อยห้าสิบชาติเอาถ้าเป็นโทษศีมามากเลยนีเอาสักยี่สิบชาติเรารวมแล้วหรือไมแปดสิบชาติยังไงจะอุณภูมันต้องมีอยู่แล้วแค่เพียนะอุณภูมันต้องมีมันไม่แปศก็ต้องห้าลไม่ห้าศีลก็ต้องสี่สิบสามที่โทษของการใช้ หรือคือมีงนานสอบไงมีงานสอบอะไรี่เป็นคนมีตางหน่อยก็เท้าเสียวใช้ให้พายยกกระถางดอกไม้มาที่ตรงนั้นตรงนี้นายกกันให้วุ่นมาเรก็ไปยินดูโอ้ยตื่นกึ้นมาก็้วสะเทืนใจนไปเลยนึกในใจว่า ทำไปทำมาได้ห้าร้อยชาติเป็นเลยไม่หลายองค์ทีนมันเนี่ยห้ารอยชาติเเสร็จเลยจานั้นนางผูุติลาจะเกิดทุกชาติในคนใช้หมดแล้วยังมีสรีละขอมเด้นางู้ชุติลาที่สตรีละอมเนี่ยเป็นร้อยเินพรบัจจีมีัระบัจจีอุไรยะองค์นึงด้านหลังข่อมพอกลับมาบ้านก็มาร้อยเดินเดินข้อมในพวกนึง เอไปเจอผ้าร่มหลังค่อมแบบนี้ก็เดเลยค่อมเลยนะเนี่ยไม่ใช่เป็นคนท้ายอย่างเดียหลังค่อมลูกช่างมาเจ้าสุดท้ายนี่เป็นคนรับใช้ตัางานสามอาวาธนี้แต่เป็นเจ้าสุดท้ายนะต่อมานานก็ยังยังขโมยด้วยนะยังขโมยดอกไม้ขโมยอะไรด้วย ขโมยไปฟังธรรมเนี่ยเขาไปฟังธรรมพอาฟังธรรมแล้วได้บรรู้พอได้ปรรลุเบ็ดเสร็จก็กลับมาก็มาพูดให้เจ้านายฟังเจ้านายได้รูุ้เลยนะแล้วเจ้านายก็เลยยกให้เป็นอาจารย์เลยต่อไปไม่ใช่เป็นคนใชแ้แล้วแต่งหนึ่งตัวร็จแล้วย่งนี้กขึ้นธรรมะคือมีหน้าที่ไปฟังธรรมหรือพเจ้ามรมยายมันยากที่สุได้คำพิเศหนึ่งเลยนะในอิทิวุตกา อุตรกาภิกายรผิวตรการกนั่นเราเป็นผลงานทุงนางคุ่ชุดด า, าราในคำพีเนี่ยน่าหัวจิกหลานกันที่ผลงานนามว่าทุกไปแล้ว เ, เป็นคนรับใช้กันได้เลยนะเนี่ยรักนังนีเราเป็นเป็นทางด้วยความเป็นผู้อีกอย่างหนึ่ก็คือเป็นผู้มีความพูดติดแกงหัวบ้านพูดหล่อแหละ พูดทั้งสุขทั้งเดชมีคำพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างคือพูดตลกพูดจริงคนเท็จเท็คนจริงแตเท็เป็นส่วนมากความเป็นผู้ด้วยความเป็นที่เลี้ยงทาโลกบ้างมีการแต่งตัวให้รับส่งข่าวสารแจ้งสารไปยังสถานที่ต่างๆด้วยวิชาชีวะหรืออื่นที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจ รักษาโลกรักษาสุนทรภัยให้โยมอันนี้ผิดนะทำตัวเป็นหมอยาอะไรพระพุทธเจ้าตรีเตียนว่าอนาจาระอันนี้เป็นเป็นอนาจารมีเป็นทางการที่ไม่เหมาะถ้าเราไม่ศึกษาคําสอนเราจะไม่รู้เลยนะว่าอย่างยากตัวอย่างเช่นพระพราทำพระทำตัวเป็นหมอเราเรียกว่าดีนะ ่หมอรักษาโรคเนี่ยเาไม่พที่จริงเป็นอาณาจาระไม่ใช่อาจาระไม่หมดคนโอ้แล้วบางคนก็ส่งสริมนี่ยนะว่าอูพระทาประโยชน์ ต, ต่อสัองคมมั้งยังยิ่งผิดหรืออีกในหนึ่งก็รือว่าอาณาจาระทางกายอะพิสูุนรางรูปในพระศาสนานี้เข้าสู่ที่ประชุมไม่เคารพไม่ยำเกรงพระเถระทั้งหลาย ยืนข้างหน้าบางนั่งั้งหนานั่งสูงกว่าบ้างการกระทําตรงข้าอย่างนี้ชื่อว่าอนาจารทางการส่วนทางวาจาก็คือว่าภิกษุบางรูปไม่บอกกล่าวแต่พระเถรแะทั้งหลายพูดทําบ้างส่วนไปเิโมกบ้างอันนั้นก็เป็นเป็นอนาจารส่วนอักโคจรก็คือสถานที่ที่ไม่ควรไปเป็นต้นั้นอันนี้ก็เป็นรากฐานแห่งความสเป็นสีและรู้สึกที่เป็นต้น สส่วนทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิความหมดจดแห่งทิฏฐิเนี่ยท่านบอกว่าคือกรรมัจจายานสัจวิโลมิกายามัคคะมัคคัสามังคียานยผลสมังคียายที่ตัวแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นกรณีต่างรวมไปเลยนะตั้งแต่ เกี่ยวในด้านของวิปัสสนาญาณทั้งหลายในด้านของวิปัสสนาญาณทั้งหลายตั้งแต่ทิศที่สุดที่เป็นต้นหล่านี้ก็ในในหลักวิปัสสนาโดยทั่วัปท่านก็จะสอนเกี่ยวกัในเรื่องของทิี่สุดที่คือความหมดจดความหมดจดในความเห็นเนี่ยอันนี้เป็นลำดับของของของวิปัสสนาญาณ คือความหมดหมดสิ้นแห่งงวิปัสสนาญาณเช่นว่าการรู้เห็นตามสภาพการความเป็นจริงของนามรูปซึ่งมีสภาพต่างกันคือนามมีสภาพน้อมไปหาลมีรูปรูปมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงสมรู้เสมสมเป็นต้นอนี้เรียกว่าทิสขีวิสุทธิคือเห็นความเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามเป็นต้นลักษณะนี้เป็นเป็นทิสขีวิสุทธิ ทีนี้ในคำพีวิสุทธิมรรคก็คือว่าปัสสะปัญจะมาทำเชื่อปัสสะปัญจะมากร า, ราบหรือปัสสาเวทนาสัญญาเจตนากิจอีกในหนึ่งสภาพการเห็นมีปัสสาะเป็นลำดับที่ห้ายังไม่เกิดขึ้นจากภายในระหว่างจักสุเรารูปเป็นต้นในธรรมชาติปิการเห็นนั้นปัจจัยคุงแต่งขึ้นเป็นต้นปัจจัยเหตุมีจักภูเรารูปเป็นต้นเหล่านี่นย น, ย น, นะ ว่าเสียงกองไม่ได้ซ่อนอยู่ภายในกองหรือภายใน อ, ai, อุ้ง ม, มือจะอย่างไดได้เห็นนั้นในเวลาเราตีกองเนี่ยนะจะบอกว่าเสียงกองออกมาจากภายในกองก็ไม่ได้จะว่าออกมาจากอุ้งมือก็ไม่ได้หมายความว่ารูปกองรูปมือทั้งสองไม่ใช่สัตวทรูปคือเสียงแต่อย่างไดแล้วก็ไม่ได้ใช่ว่าเสียงจะเกิดขึ้นจากการตั้งกาง ร, ระหว่างกองหรือมมอุ้ง โดยใช้กิ่แล้วเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเพราะสาเหตุปัจจัยคือกองและการตีของมือเั่านั้นได้เหตุนั้นกองและอุ้งมือกับเสียงจึงเป็นกุญแสิ่กันเช่นเดียวกยับการเห็นคือเมื่อครั้งยังไม่เห็นก็เป็นก็ไม่ได้ซ่อนอยู่ภายในจัตุหรือมายในรูปแต่อย่างใดหรือจะอยู่ในระหว่างรูปทั้งสองก็หาไม่ได้เหตุนนะเมื่อมีรูปการเห็นก็จะปรากฏทุกทครั้ทงที่มีปรากฏการเห็นก็จะปรากฏไม่ได้เกิดจากภายในจัสุเขาบอก เวลาการเห็นเนี่ยรูปนั้นไม่ได้อยู่ในตาตาก็ไม่ได้เป็ซ่อนอยู่ในรูปแต่อสใจเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็เหมือนอุปมาเหมือนกัการตีกองกว่ะการตีกองเนี่ยในด้านของทิศทีวิสุทธิเนี่ยวัตถุประสงค์จริงคือเขาต้องการจะแยกอะนรต้องการจะแยกรูปน้ำออกจากการให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่บอกว่า นักสรีระบางท่านสามารถพิจารณาโดยเปรียบเทียบบอกว่า ช, ชิ้นส่วนต่างๆของรถมีเพลามีล้อมีตั ว, ตวถังเป็นต้นเมื่อนำมาประกอบเป็นโครงเดียวกันแล้วก็ถูกเรียกว่ารถแต่เม่อแยกออกแล้วจะเห็นว่าวัตถุที่เรียกว่ารถนั้นน่ไม่มีอุปมาเรียกว่าปุปปาคาณาขันคือรูปเวรนาสัญญาทังขามนญษย์ทำมารวมกันแล้วก็เรียกว่าคน แต่ก็แยกออกให้ละเอียดเด็ดจนแล้วเนี่ยหาคําว่าคนไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยนี่นะฉะนั้นคําว่าทิฏฐิวิสุทธิในความเห็นที่หมดจบเนี่ยก็แปลว่าเขาสามารถเขียนโดยความเป็นตมรมาญญรย์เขาแยกออกะไรกันนะเขาแยกด้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกเดนอันนี้เขาเรียกเป็นความเห็นที่ที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกเป็นความเห็นที่ บ, บนนรินนรราาสุทธิ์ ท, นน ท, ทีนี้การเห็นที่จะเป็นทิฏฐิวิสุทธิ จะหมดจดแบนี้ได้นั้นก็ต้องอาใัยจากการทานตามหัวใจคือการเจริญงานที่ได้กลักก่ทีนี้ว่าอีกอยากก่างหนึ่งก็คือการดูประมาอย่างนี้ว่าการดูประมาเปรียบเทียบยังไม่ใช่จุดประสงค์ทีแท่แท้จริงนะ แต่การที่ได้รู้แจ้งด้วยอปราศจากความสงสัยในทุกขณะของการกําหนดรู้ความแตกต่างระหว่าง ก, กันรูปกันนาว่าสิงนี้คือนามสิ่งนี้คือรูปแล้วก็สามารถแยกต่างบุคคลตัวตนเราเขาออกได้การเขียนอย่างนี้จึงจะเป็นนามรูปไปเขียนได้ยามคื อ, อยาที่กําหนดแยกแยกนามและรูปยานี้เองที่เป็นการทําลายอัตถิฐิ เป็นต้นเหกเของความยึดมั่นถึงมั่นว่าตัวเป็นวิญญาณเป็นเขาเป็นเราเป็นเจ้ามือนนี่เรียกว่าเป็นการแยกแยกลูกแยกน้ำออกจากกันคนที่จะแยกรูปนามออกจกากกันได้อย่างนี้แสดงว่าเขาพิจารณาอย่างละเอียดเป็นความแท้ลาดับแรกที่จริงเขาก็จะไปพิจารณา เี่ยวกับนเรื่องของเห็นในความเป็นขันในความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์เนี่ยที่เขาจะมาแยกเป็นความเป็นขันเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นหอย่างนั้นแล้วเขาถึงจะเป็นในลักษณะของไอตัวที่ถี่วิสุทธิทีนี้ในด้านของการที่เขาไปแยกแยะหรือไปพิจารณาเนี่ยในความที่เห็นไปทางตัว ที่มีวิสุดชี้ดังก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของในตัวากรารเจตุปัสตนาเนี่ยในคำสอนท่า น, นท่านแยกแยกไว้บอกว่าความจริงผู้ที่เห็นโลกทางจากอุปปาย่อมจะรับรู้สิ่งที่มีอยู่จริงแตกต่างจากมายาโกและย่อมแตกที่ไม่จริงเพราะถ้าไม่มีสีที่จะพึงเห็นได้สภาวะการเห็นก็ย่อมจะเกิดไม่ได้ ดังนั้นสีที่เป็นทางที่เห็นทางจากปุปตตะจึงเป็นสัตคิด ก, กับขากหรือปรมัตเมื่อเห็นสีแล้วคนเราก็จะคิดถึงรูปร่างสังขานทางมโนทวารคิดลงไปว่ายาวบ้างสัน้นบ้างตรงบ้างแบนตีเหลี่ยมเป็นบุรุษเป็นจะตรีมีมือมีเทาจึงสําคัญว่าเห็นรูปร่างสังขานเพราะจิตที่เห็นทางจากปุทวาะและจิตที่ดําเนินลงมาทางมโนทวารเกิดจากทั่วเลี้ยงมากคนทั่วไปจะแยกแยะไม่ได้ ทำให้เข้าใจผิดไปว่าจิตที่เห็นสีและจิตที่รับรู้สันถามเป็นจุดจิต ด, ดวงเดียวกันนี่ในดีกาท่านบอกว่าหน้าที่ของจกักรกุญญานเนี่ยคือความเป็นไปในสีอย่างเดียวไม่ใช่รับรู้ความเคลื่อนไหวไที่เกิดร่วมความประสงค์ของผู้อื่นแต่คนทั่วไปปราศ จ, จากความเข้าใจก็สําคัญว่าแม่สิ่งที่รับรู้นามอเนรทวารที่ต่อจากจากักรกุญญาที่สีก็เหมือนกับการเหนน็นน า, ามจักรกสัตริ เพาจิตที่เปลี่ยนแปลงไปในขนาดมือมือเคลื่อนไหวรูปร่างเห็นสีจากกุญญาณขนาด น, นั้นก็ได้รับรู้ว่าเป็นมือมือด้วยหรือย่อเปอย่างเช่นว่าเวลาเราเห็นเห็นทัดลมเนี่ยนะตาเรามองเห็นว่าลมพุบเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเพื่อทางตาเราเห็นแล้วเราก็เข้าใจในขนาด น, นั้นเลยแท้ที่จริงว่ากระบวนการของการเห็นพุบทางจากักุวาลพุบเนี่ยมันลงสู่ตรงกลางใจนะไม่รู้เกลื่อนล้านพันวิสีเลยกระบวนการนั้นเขาเนะี่ย แต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจการเกิดขึ้นเกิดดับของวิถีจิตตรงนั้นก็เลยเป็นสาคัญว่าโอ้ตาเราเห็นรูปใจเข้าใจเห็นในรักตรนีน้ฉะนั้นบอกว่าถ้าจิตดวงแรกเกิดขึ้นดวงหลัง ก, ก็ก็ดับเมื่อดับก็เกิดดับติดต่อกันไปในรักตรงไหนเนี่ยการรับรู้สิ่งที่เห็นซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันตั้งแต่ในภาพที่ปรากฏเป็นรูปร่างต้นฐาน นอกจากในคนที่อ่านหนังสือที่ไม่คล่องเช่นตัวอย่างนี้นต้องรลงการอักษรเดียวตัวแล้วก็พิจารณาสะกดเป็นำคำๆก็อ่านออกได้นะทีนี้การพิจารณาไขวัวในปรากฏชัดเพใช้อยู่รานานแต่คนที่อ่านหนังสือคล่องเขาจะใช้ความใช้การอ่านก็าอ่านปุ๊บเข้าใจเลยดีการพิจารณาเกิดขึ้นรวดเร็วขึ้นได้ สภาวะการเห็นย่อมแยกแย่ออกจากการพิจารณาได้อย่างชัดเจนในอารมณ์ที่คุ้นเคยแต่ถ้าการพิจนารณาย่อมไม่ปรากฏชัดในอารมณ์ที่คุ้นเคยฉะนั้นด้วยเนหะตุนั้นคนทั่วไปก็เริ่มกันกว่าจักครูประสับเห็นบุรุษเห็นสตรีที่คนท่วไปเราเห็นเนาตาเราเห็นไนงะเช่นเห็นนะเป็นความเป็นหญิงเป็นชายเราเรียก็ทําทตาเห็นแท้ที่จริงก็เหมือนกันว่าถ้าเราอ่านหนังสือยังไม่รู้ท่อง ต้องครวมหลายๆตัวตั้งนานใช้เวลานานจึงมาผสมกันและจึงจะรู้ว่าหมายถึงอะไรท่านี้ไอสัตว์โลกทั้งหลายที่เราดูเปนมาในจิตเกิดดับรวดเร็วไหมเห็นพวกเข้าใจพวกเลยและเราเข้าใจว่าตายหรือเราเข้าใจร่าร่างเป็นฐานเลยถ้าจริงมันผ่านกระบวนการเกิดดับเป็นปันพันเป็นล้านนเนี่ยนี่เป็นอีกฉะนั้นดวงตาของมนทัว่วไปมีความใสที่ตาขอดรับรูปร่มได้เขาเรียกว่าจักรุกษะ สีต่างๆที่ประจักษ์ชัเบื้องหน้าว่จาจักภู菩萨ถ้าไม่มีจกักภู菩萨ก็จะไม่ปรากฏสีหมือนเงาหน้าย่อมปรากฏกระจกเงาไม่ปรากฏที่อื่นฉะนั้นต่อจกักุภู菩萨นี่ไงจากภู菩萨เวลาปรกากฏแล้วเนี่ยก็เป็นตัดกระทบกับสีเพราะกระทบกับสีจะเป็นปาจจัยกิดจกักภูวิญญาณเป็นต้นเป็นตามมัาดับคนที่เขาพิจรารณาในเรืงด้านของพิธีวิสุทธิเนี่ย เขาก็จะเข้าใจสีเข้าใจจากภู菩าเข้าใจจากภูวิญญาณเป็นตเหล่านี้แล้วก็แยกแยะว่าส่วนใดเป็นรูปส่วนใดเป็นานามแล้วก็เข้าใจกับสองนเป็นเพื่อทำนี่ก็เป็นไตรรักษณะอย่างนี้นี่ได้เข้าใจแล้วเี่คือคือลักษณะของ เขาไอลักษณะของท่านในใ น, ในโพชฌงนี่นท่านกล่าวไว้ว่า